พระธรรมเทศนาแผ่นที่72็ลำดับที่8โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่1ธันวาคม2557มีชื่อเรื่องว่าฝึกภาวนาเอาตั้งใจฟังคณะจ า, ายาตโยมลูกหลาน ตอนนี้ไปเป็นการแสดงธรรมเป็นการฟังพระธรรมเทศนาถ้าหากว่าพวกเราตั้งใจฟังคงจะได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งไหนที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วไม่เข้าใจชัดก็จะเข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้นแล้วก็จะบรรเทาความสงสัยเสียได้ทำความเห็นให้ถูกต้องได้ขณะฟังจิตใจของผู้ฟัง หลักเหตุผลฟังอัดฟังธทำจิตใจก็จะได้รับความสงบได้รับความผ่องใสชุดสุดตามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังจินตามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาใขา้ควรทบทวนสิ่งที่ดียินได้ฟังมีเหตุผลมากน้อยแค่ไหนอันไหนเป็นอัดอันไหนเป็นธรรมอันไหนเป็นเหตุเป็นผล อ, อันนี้ว่าต้องใช กินตามยปัญญาภาวนามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทําจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจสงบผ่านความสงบแล้วจะนํามาพิจารณาการกรองไตรตรอง เ, อเรื่องละเอียดถีท้วนก็จะเห็นได้ชัดเพราะว่าจิตใจผ่านความสงบนี่แหละอันนี้ก็คือการาฟังธรรมหรือว่า อาศัยการได้ยินได้ฟังการฟังเมื่อเราฟังดีนะตั้งใจฟังูุสุสังรัะสะเตปัญญ์ผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญานะคนเราเกิดมาแล้วไม่ได้ยินได้ฟังมาขังใส่ห้องกระจกตู้กระจกไว้แล้วก็เปิดออกมาพวกเราคิดดูให้ดีก็แล้วกันนะไม่มีใครที่จะรู้เรื่อง เราต่างๆได้ต้องอาศัยการศึกษาเรียนรู้จากพ่อแม่พี่น้องผู้อยู่ใกล้ชิด <c oughs> จากนั้นกระสงเข้าโรงเรียนเพื่อการศึกษาเมื่อได้รับการศึกษาดีแล้วก็จะได้รับความรู้ความฉลาดในเรื่องนั้นๆแต่ทุกคนพูดได้เลยว่าพวกเราที่นั่งอยู่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ยไม่มีใครที่จะ ส, สยมภูรู้ได้ทุกอย่าง รู้อย่างหนึ่งฉลาดอย่างหนึ่งก็โง่อีกอย่างหนึ่งมันไม่ใช่จะฉลาดทุกอย่างขนาดหม อ, อเรียนวิว ช, ชาหมอก็ยังมีมีความฉลาดและมีความเก่งกว่ากันคนหนึ่งหมอตาก็ไม่เก่งหมอหูอถ้าหมอหูหมอตาก็ไม่เก่งหมอจมูกหมอผิวหนังหมอกระดูก หมอตับหมอปอดหมออะไรตัวมีอะไรต่้งเยอะแยะนี่แหละเพียงแต่หมอเท่านั้นละเรากำรรลังยหญ่อย่างไม่เก่งทุกคนแต่เรื่องอาหาร อ, อ, อาหารมีกี่อย่างเราทำอาหารประเภทไหนได้บ้างก็มีเยอะแยะที่เราทำไม่ได้สิ่งที่เราที่เราทำไม่ได้ที่เราไม่รู้อันนั้นเขาเราโง่ใช่ไหมแต่คนเราไม่ไม่อยากจะ ยอมรับว่าตัวเองโง่นะอยากจะฉลาดนะแต่ทำไม่ได้นี่แหละอันนี้ก็เหมือนกันวิชาในโลกที่มีมากหลากหลายทั้งวิชากฎหมายวิชาพุทธศาสนาก็เถอะะวิชาพุทธศาสนาที่พวกเราจะได้เรียนรู้ไม่ใช่ว่าเราจะรู้หมดทุกอย่างก็ไม่ใช่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า8 4่พันพระธรรมมขัน มีมากแต่สุดแท้แต่ครูบาอาจารย์จะหยิบยกเรื่องอะไรมาชี้แจงมาพูดให้พวกเราเข้าใจมาให้พวกเราฟังอย่างวันนี้แหละการแรกคือหลวงพ่อที่เป็นองค์แสดงธรรมเป็นคนกล่าวสัมโธธนิยกธนิย ก, ยกถาเป็นองค์แรกองค์ที่สองก็หลวงพ่อบุญมีถ้ำเต่าจะเป็นองค์แสดงแล้วเนื้อหาสาระ ก็คงจะไปคนละแนวกันอีกเหมือนกันสุดแท้แต่องค์ไหนจะหยิบยกขึ้นมาจะเอาเรื่องอะไรขึ้นมาสาทกให้กับคณะทา ญ, ญาิโยมลูกหลานเพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้เพื่อจะได้ยินได้ฟังในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมด8ป0 0 0ี่พีพันพระธรรมมันเน่ย เพียงแต่ว่าผู้มีปัญญามากน้อยขนาดไหนที่จะเอาเรื่องราวพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะั้นมาประกาศเผยแพร่บอกกล่าวให้กับคณะศรัทธา ญ, ญาติโยมพี่น้องลูกหลานเพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้นะอย่างอิติปิโสปคขวาวอารหังสัมมาสัมพุทธโธนี่ถ้าหาว่าผู้มีปัญญาจะอธิบายเป็นปีเป็นเดือนก็ไม่มีที่สิ้นสุด พระอธิบายพระคุณของพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าเฉลียวฉลาดยังไงรอบรู้ยังไงท่านได้ตรัสรู้หมดจดจากกิเลสอย่างไรท่านสอนโลกอย่างไรจริยวัดตีละจริยวัดของพระองค์พระพุทธเจ้านั้นเป็นยังไงถ้าผู้มีปัญญาแล้วก็อธิบายไม่มีที่สิ้นสุดพ่อใหญ่ห เพราะว่าพระคุณของ พ, พระพุทธเจ้ามีอนเนกอั น, นันต์ไม่สามารถที่จะบรรยายให้จบท่วนทีท่วนได้นั่นแหะอันนี้แหละคือหลักธรรมคาสอนเพราะฉนั้นพวกเราไปนักสถานที่ต่างๆให้เป็นผู้เงี่ยงหูฟัง เ, เป็นผู้ตั้งใจฟังนะเมื่อตั้งใจฟังแล้วจะได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังในวันนี้หลวงพ่อก็จะได้นําเรื่องที่จะมา แนะนำบอกกล่าวให้กันศนัทธายญาติจมเพื่อเรียนรู้ประการศึกษาอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวตอนนี้ไปหลวงพ่อจะเข้าประเด็นแล้วนะทีนี้นะหลวงปู่บุญมีของพวกเราหลวงปู่ของเราเนี่ยอายุปีนี้ก็88ดพันศาทราบว่า68เป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่ในบรรดาสิทธิ์ขององค์หลวงตา แปลว่าเป็นพี่ชายใหญ่ของพวกเราเออ ล, อลองลงมาก็คือหลวงปู่ลีถ้ำผาแดงนะอันนี้เป็นพี่ชายรองนี่แหละอันนี้ก็คื อ, เ, อ, อเป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราเแต่พวกเราได้สังเกตไหมนี่แหละสมัยก่อนหน้านี้องค์ท่านองค์หลวงปู่ของเราก็พูดได้เสียงดังฟังชัดว่าพวกเราได้พบได้เจอได้เห็นองค์ท่าน แต่เดี๋ยวนี้เป็นยังไงนี่แหละคือความแก่หลวงพ่ออินนี่คงเหมือนกันนะพนักสทตล์ญาติโยมลูกหลานทุกคนนะในขณะนี้หลวงพ่อพูดได้หลวงพ่อก็เลยพูดให้เสียงดังฟังชัดอีกสักวันหนึ่งข้างหน้าอีกไม่นานหลวงพ่ออีกไม่นานหลวงพ่อก็จะเดินตามหลังหลวงปู่บุญมีไปหลวงพ่อก็เอาไม้มาจ่อปากหลวงพ่อก็พูดไม่ออกอีกเหมือนกันนะพ่ออะไรพอแก่ในความแก่มันเป็นอย่างนั้นแหละ แต่เดี๋ยวนี้เท่าไหร่ล้วหลวงพ่อเนี่หลวงพ่ออายุเจ็ดสิบแล้วนั้นลูกหลานอไม่ใช่พ้าน้อยผ้านุ่มแล้วอายุเจ็ดสิบแล้วอแล้วก็บวชหลวงพ่อบวชนานเท่าไหร่ลูกหลานคงจะอยากจะรู้อีกลองพ่อบวชเป็นเนน ต, ตั้งตีปีสองพันห้าร้อหลวงพ่อเนี่ยเป็นสมา เ, เนเร2องพันห้าร้อยกึ่งสมาเนรกึ่งพุทธกาลคือพุทธพุทธกาลเนว 5, ่า5้าพันปีใช่ไหม หลวงพ่อเนี่ยบวชปี 2,500 เป็นสนัมนตรูปล้านบางคนก็ยังไม่เกิดอีกต่างหากน ะ, ะแล้วเป็นพระมากี่ปีเป็นพระมาห้าสิบปีเป็นเนรอยู่แปดปีอายุ70ปีนี่แหละชีวิตของหลวงพ่อนะฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราคณะทายาิโยมลูกหลานฟังหรือที่ว่าหลวงพ่ออินนี่เข้ามาฝังใน ชีวิตไว้ในพระพุทธศาสนาเนี่เป็นเวลา58ปีมีความคิดเห็นอย่างไรหรือว่าเป็นทับพีแช่อยู่ในหม้ อ, อกแกงมีแต่จะเกลือจะกัดก่อนเท่านั้นหรือว่าเหมือนกับลิ้นรู้รสของแกงมีรสอะไรในพระธรรมคำสอนออให้พวกคณะสัาย า, าติโยมลูกหลานได้ฟังแต่หลวงพ่อเองก็มั่นใจนะคณะสัตย า, า, ญญาติโยมลูกหลาน ถ้าใครอยากจะฟังคำออของหลวงพ่อหรือว่าแนวความคิดของหลวงพ่อนะหลวงพ่อมี MP3 นะตั้ง50กว่า50กว่าแผ่นนะออมีนานาจิตตังนานาทัศนนาน า, น า, นาเรื่องราวน า, นาอะไรมีมากนะในธรรมเทศนาหรือว่า MP3 ของหลวงพ่อพระทานหลวงพ่อเองกออ็ถ้าจะว่าไปแล้วก็มั่นใจนะ มั่นใจใน m อ็ีที่หลวงพ่อพูดทุกคำพูดนะอยู่ในนั้นหลวงพ่อมั่นใจถ้าขอให้พวกเราตั้งใจฟังถ้าพวกเราตั้งใจฟังแล้วจะได้รับความเข้าใจรู้เรื่องอควรบางสิ่งบางอย่างอาจจะพวกเราอาจจะไม่รู้เพพวกเร า, เราทุกคนหวงพ่อเหมือนกันไม่ใช่จะรู้หมดทุกอย่างนะคณะสัทธ า, า, าญาิโยมบางสิ่งบางอย่างก็ยอมยอ ม, ยอมแพ้เหมือนกัน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 อาราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสาปูชาจะปูชนียานั่งคยะวยธรรมมาสังคาราอัปปมาเดนะสัมปาเดธาตีติวันนี้นับว่าเปน็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งที่พวกเราคณะสิทธิ์อง์หลวงปู่หรือว่าคณะ น้องนุ่งของหลวงปู่เขาว่าน้องนุ่งคล้ายๆกับว่าพวกเราเคยอยู่ถื อ, สอเสมือนว่าหลวงปู่เป็นพี่ชายใหญ่ของพวกเราที่เราเคยอยู่กับท่านท่านให้ความอบอุ่นกับพวกน้องๆ อ, อย่างหลวงพ่อเป็นต้นจากนั้นก็ท่านก็ได้มาอยู่ณนะสถานที่แห่งนี้วัดป่านาคูนแห่งนี้ จากนั้นท่านก็ได้แนะนําสั่งสอนสิทธิอนุสิทธิ์มากมายทั้งฝ่ายบรรพชิตและฝ่ายคารวะกว้างขวางในบรรดาสิทธิอนุสิทธิ์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นถือว่าวันนี้เป็นวันเกิดของหลวงปู่วันพรุ่งนี้เป็นวันเกิดนะวันนี้เป็นวันที่หนึ่งพวกเราได้ร่วมกันไหว้พระ สมาทานสิ่พระสงฆ์ก็ได้เจริญพระพุทธมนต์เป็นการเสร็จชิ้นลงไปต่อที่ไปก็จะได้ฟังธรรมเทศนาในคืนนี้มีอยู่สองกันคือกันแรกก็คือหลวงพ่อกันที่สองก็ทราบว่าเป็นหลวงพ่อบุญมีถ้ำเต่าจะเป็นองค์แสดงธรรมประทังขอให้พี่น้องศรัทธาญาติโยมคอยฟังถ้ามือถือโอกาสในนี้หาได้ยากไม่ใช่มีทุกวัน อย่างวัดป่านาคูนก็มีทุกวันเมื่อไหรปีหนึ่งก็มีเพียงครั้งเดียวพผมนั้นขอให้พวกเราคณะทา ญ, ญาิโจมพระเนรพระครูบาอาจารย์น้องนองทั้งหลายคอยๆฟังธรรมเทศนาแนวความคิดของครูบาอาจารย์ที่เป็นรุ่นพี่หรือว่าแนวความคิดท่านองค์นึงมีความคิดเห็นอย่างไรอย่างหลวงพ่อ ได้ไปที่สวนแขงธรรมเมื่อคืนนี้หลวงพ่อก็ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธศาสนาความเป็นมาของพระพุทธศาสนาหลวงพ่อพูดปาลบุณว่าพุทธวจนะที่กําลังมีชื่อเสียงโด่งดังหลวงพ่อก็ได้ชี้แจงให้กับคณะทัดทายญาติโยมได้ฟังเป็นแนวทางสําหรับ หลวงพ่อหรือว่าครูบาอาจารย์องค์ที่หลวงพ่อได้ศึกษามาก็าได้นำแนวแนวความคิดนั้นมาบอกกล่าวให้กับคณะทายาติโยมได้ฟังคือทุกถิง่งทุกอย่างเราต้องเราต้องฟังเพราะสิ่งในโลกนี้มีมากหลากหลายเราจะไปฟังแล้วก็เชื่อทีเดียวไม่ได้เราต้องฟัง อันนี้เป็นจริงไหมอันนี้เท็จไหมเออแล้วใครเพราะว่าพวกเราเกิดมาสุดท้ายภายหลังอันนี้คือคำพระพุทธเจ้าพูดอันนี้คือคำภาษาพวกพูดเออเราจะไปพูดอย่างนั้นทีเดียวก็ไม่ได้อันไหนมีเหตุมีผลมีเหตุมีผลเราต้องฟังไว้ก่อนถ้าอันไหนฟังออกมาแล้วถึงจะ เ, เป็นพุทธวจนะเออเป็นพูดขึ้นมาก็เถอะอย่างองหลงตาล ท่านบอกว่าในอนัตต ร, รคณะสูตรเนี่ยเราฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนกับเป็นอาจารย์ปูนหลัง เ, เป็นคนพูดแต่ตามไม่จริงถ้าหากว่าเป็นเรื่องที่ออกมาจากพุทธปักจากพระโอษพระพุทธองค์แล้วคำนี้ไม่น่าจะไม่น่าจะมีใครข้าว่าเป็นเรื่องหนึ่งแต่หลวงพ่อยังไม่ชัดแหลวงพ่อพูดไปกเดียวจะไม่ ไม่ไม่ชัดเจนแต่หลวงพ่อนีจำได้ว่าหลวงพ่อหลวงตาเนี่ยท่านตำหนิใช่ตหนิยอยู่ในคำหนึ่งในอนัตตรักณะสูตรนะเรื่องอนัตตาเนี่ยเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยแต่มันไม่ถึงมันไม่ถึงไมไม่ถึงุดจุดลากถอนโคนท่านว่านะหลวงตาท่านพูดอย่า ง, งานั้น แต่ขอให้พวกเราศึกษาอีกแล้วกันนะพวงรอบหลวงพ่อพูดเป็นเงื่อนงำเป็นปมให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ศึกษาที่หลวงตาพูดคำนั้นนะคือคำไหนนะเอออันนี้ก็คือคือคำพูดหรือว่าคำตัดของพระพุทธเจ้าในพระบาลีก็มีว่าเออพระบาลีคือคำพูดของพระพุทธเจ้าว่าพุทธวจนะยานาตัถกถาน่อัตถกถาก็คือ เป็นคนที่ปูนหลังที่เป็นอ克拉สาวกหรือพระสาวกเป็นผู้อธิบายทำคําสอนของพระพุทธเจ้าอีกที่หนึง่งย่ออัตถกถานฎีกาดีก า, กาคล้ายๆก่อเป็นปุนปูนหลังปุนหลังที่ปูนหลังอัตถกถาชี้แจงอธิบายเรื่องพระบัลีด้วยอธิบายเรื่องอัองอตถกถาด้วย แต่ในอนุดีกาอนุดีกาก็คือผู้ที่อธิบายเรื่องพระบาลีด้วยทั้ทงอธัธกถาด้วยแล้วก็ทั้งทั้งดีกาด้วยอนุดีกาต่อมาก็ทำทำมัทธาทีบายทำมัทธาที่บายก็คืออย่างหลวงพ่อเนี่ยใครแค่ว่าเป็นรำมัทธาทีบายได้ก็ว่า ฟังพังพับวลีฟัง ท, ทางอธิกถาฟังทั้งดีกาทางฟังฟังทางอนุดีกาฟังทงั้งสี่ท่านแล้วทีนีหลวงพ่อออกมามาเฉลยนะ่เฉลยให้ฟังห่อพระพุทธเจ้าตรัดตรัอย่างนี้อธิกถาท่านตีความอย่างนี้อนุดีกาในท่านตีความหมายออกไปอย่างนี้อนุดีกาตีอย่างนี้เอออันนี้คือทำมัทธาที่บาย อันนี้แหละคืออธิบายในพระธรรมคำสอนเพราะนั้นพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีมากหลากหลายพูดอย่างนั้นได้คือว่า8 4 0 0 0พันพระธรรมมัดแต่ถึงจะย่นย่อเข้ามาก็ไม่มากอีกเหมือนกัน่เอ อ, อย่างพระในครั้งพระพุทธเจ้ามีศรัทธาญาติโยมคนหนึ่งเป็นผู้มีศรัทธามากในพระพุทธศาสนา เป็นอุบาสตกตอกอนก็ไม่ได้สนใจแต่พอพระสงฆ์ไปแนะนำสั่งสอนว่าอคุณควรจะ เ, เสียสละไม่ควรจะมีโลภโโมกันนะจนเกินไปคนที่เสียสละเนี่ยจิตใจเบิกบานจิตใจมีความร่มเย็นเป็นสุขนะจากนั้นเขาก็เป็นผู้เสียสละคือทำทำทานเพราะเขาก็มีฐานะดี เขาก็ทําทานพอทําทานโอ้อจิตใจได้รับความสงบเยือกเย็นมีความสุขจริงในการเสียสละแปลว่ายินดีในการทําทานในการเสียสละก็ไปหาอ า, อาจารย์ของตนเองท่านอาจารย์ครับผมทําทานนะผมมีความสุขใจจะทํำยังไงจริงจะให้มีความสุขใจมากกว่านี้ครับอาจารย์อรักษาศีล น, นะเพราะเราจะไม่เบียดเบียนสัตว์อื่น อยู่ในกรอบของศีลเราจะได้รับความสงบาทางด้านกายด้านใจของเราด้วยใจของเราจะไม่กระเพื่มอมในการสร้างคุณงามความดีอย่างนั้นเข้าก่นรักษาศีลหนะ้าพอรักษาศี 5, ลห้าเสร็จแล้วก็โอ้มีความสุขจริงจะทำยังไงผมจะมีความสุขยิ่งกว่านี้ครับอ า, อาจารย์ก่อนรักษาศีลอุโบสถนะรักษาศีลปพอรักษาศี 8, ล8เสร็จแล้วก็ เออมีความสุขจิตใจเน่งมีความสุขจะทำยังไงครับท่านอาจารย์ผมจะมีความสุขมากกว่านี้อีกแหมจะ ก, ก้าวหน้ามากกว่านี้อาจารย์ก็บอกอืมถ้าอย่างนั้นก็ออกบวตรักษาศีลสองยยีนนะแหมจากนั้นก็ขับเออพราะเชื่ออาจารย์ใช่พอจะได้กระบวตในการบวช น, นี่ในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ท่านห้ามไว้นะ พิษุไดก็ตามเวลาคุณบุตรุดคุณระบุตรตเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเนี่ยห้ามสอนวินยัยห้ามสอนกฎระเบียบกอดคล้ายๆว่าให้เรียนรู้แต่ขนบธรรมเนียมประเพณีเรื่องอาบัติต่างๆนะอย่าอย่พึงสอนถ้าภิกษุใดก็ด่ตามสอนเนี่ยเพียว่าปรับอาบัตินะเพราะฉะนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายก็ท่านของประเทศสอนวินยัย กฎระเบียบการบวชมาแล้วต้องทำอย่างนู้นทำอย่างนี้ศินสองร้อยยี่สิบเจ็ข้อเอหลือศินอภิสมาจาร์จะไม่มีองค์ไหนท่านจะไม่ให้สอนตอนนี้โยงควนั้นขบวชพ่อบวชเป็นพระพ่อบวชเป็นพระเสร็จแล้วก็ไปหาพระ อ, อุปชาก็สอนธรรมะสอนธรรมะก็คือกรรมฐานห้าเกษาเกษาผมนะ ให้พิจารณาผมนะเป็นของไม่เที่ยงนะโลมาขนนะให้พิจารณาไม่เที่ยงนะโลมาณนาข้านะ้าาก็คือเล็บทันตาก็คือฝันตะโจคือหนังออสอนสวนสอนกรรมฐานห้าเอามันมีเวลาน้อยเอาเพียงแค่นี้ก่อนออคือสอนกรรมฐานห้าซะก่อนจากนั้นก็ จากนั้นก็ไปพาไปหาอาจารย์สอนวิทย์ในที่นี่ออสอนวิทยในอาจารย์ก็สอนนะท่านเออเมื่อเมื่อเราบวชเข้ามาแล้วนะ เ, เราต้องปฏิบัติตนดังต่อไปนี้ อ, อ, อนุสาสแ์8อย่างกิจที่ควรทำสีอย่างอัครดีญิกิจกิจที่ไม่ควรทำสี่อย่างกิจที่ควรทำสีอย่างนั่นคืออะไรกิจที่ไม่ควรทําในสี่อย่างนั่นคืออะไรจากนั้นก็อาบัตต่างๆ พอองนี้ได้ยินนั้นน่ะโอ้โหตายเออเรานี่พระพุทธเจ้า เ, เร า, าอยากจะได้บุญพอมาฟังเรื่องวินยัยเรื่องศีลนะั่นเราเหมือนกับเอาเข้าไปในซองเอาไปอยู่ในในกลงขังแคบๆเลยทีนี้เราจะทำยังไงเราจะปฏิบัติตนอย่างไร เ, เราคงรักษาศีลไม่ได้ที่พระอาจารย์วิันสอนให้ ให้ฟังไม่ได้เราปฏิบัติไม่ได้เมื่อเราปฏิบัติไม่ได้เราไปกินข้าวคนอื่นเขาเราใช้ของคนอื่นเขาที่เขามาทําบุญให้กับเราเรารักษาศีลไม่บริสุทธิ์ตายบาปกรรมเอาเถอะข้าต้องลาศิกขากลับไปรักษาศีลห้าศีลอุโบโสถจะดีกว่าถ้าเพราะว่าพวกเราก็กินข้าวตัวเองใช้ของตัวเอง ไม่ได้ใช้ของคนอื่นเข้าแต่ถ้าาเราเราไปกินของคนอื่นเขาเนี่ยเรารักษาสินธิ์ไม่บริสุทธิ์เนี่ยเดี๋ยวบาปกรรมนั้นจะตามบาปกรรมนั้นจะให้ผลกับเราเราจะต้องได้รับบาปกรรมเพราะเรากินข้าวใช้ของคนอื่นใช้ปัจจัยสี่ของคนอื่นเขาแต่เรารักษาสิทธ์ไม่ได้ไม่เอาละแ ต, แต่แกก็ออกเลยผ้าเอานั่งเป็นผ้าบวชไหมตัดชิ้นใหญ่เลยเ เข้าไปหาอาจารย์น่ยอาจารย์ครับผมคงจะปฏิบัติในศีลไม่ได้ผมคงจะลาศิขาแล้ครับเพราะว่าเรื่องศีลเนี่ยสลับซับซ้อนเหลือเกินขนาดพูดให้ฟังผมก็ยังจําไม่ได้แ ล, ดแล้วผมทําผิดล่ะจะไม่บาป ก, กรรมนั้นจะไม่ตามมาถึงผมเลยผมขอลาศิกขาครับผมจะขอไปรักษาศีลห้าศีลแปดศีลอุโบโสถเป็นคารวาส ด, ดีกว่าบําเพ็ญไปเรื่อยๆครับผมรักษาศีล 227ผมรักษาไม่ได้หรอกครับทีนด้อาจารย์จะทํำยังไงในเมื่ออาจารย์ได้ยินแล้วอาจารย์ก็เพราะว่าหลักธรรมคาสอนของของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของอาจารย์เป็นของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้บัญญัติอาจารย์เองก็ปฏิบัติตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแต่ในอาจารย์โอ้ถ้าหากว่ามีกลุ่ระบุตรเข้ามาบวชแล้ว ถ้าปฏิเสธอย่างนี้รู้อย่างนี้แล้วก็ปฏิเสธอย่างนี้เล่าจะว่าอย่างไงจะให้เขาศึกเลยเหรอไม่ได้เพราะหลักธรรมคาสอนไม่ใช่ของเราเป็นของพระพุทธเจ้าต้องนําพระองค์นะี้ไปกล่าวพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ทั้งหลายก็เลยนําพระองค์นี้เข้าไปกราบพระพุทธเจ้าไปถึงกับพระพุทธเจ้าข่านี่พระใหม่องค์นะี้ถ้าก่อนเขาเป็นคารวะเขาได้บุญอย่างนี้อย่างนี้ แต่เขาอยากจะได้บุญมากถ้าวีคูณอาจารย์เขาก็เล่นแนะนําให้บวชเพราะบวชเข้ามาแล้วก็ท้อท้อใจที่จะรักษาศีลสองร้อยยีไม่ได้เพราะว่าตัวเองรักษาไม่ได้แล้วจะทำํำกินใช้ปัจใจสี่ของคนอื่นเขาเแล้วตัวเองก็รักษาเสศีลศีลไม่บริสุทธิ์เดี๋ยวบาปกรรมนั้นจะเข้ามาหาตัวเองเลยท้อใจอยากจะลาสิกขากลับไปรักษาศีล บูโบรสดรักษาศีลห้าตามเดิมครับผมพระพุทธองค์เออเป็นอย่างนั้นจริงไหมเธอภิกษุพระเจ้าข่าเนี่ยพงศ์นัับเลยมันออพอว่ำ ม, มันอ่อนใจจริงๆจะรักษาศีลไม่ได้พระธองค์บอกว่าเธอรักษาศีลว่ามันมากเกินไปอย่างนั้นใช่ไหมพระเจ้าข่าถ้าอย่างนั้นรักษาอันเดียวได้ไหมรักษาข้อเดียวเนี่ยได้ไหม พระเอานั้นก็ว่าได้ถ้าหากว่ายากขนาดไหนข่าพระองค์รักษาได้ถ้าหากว่ารักไข้รักษาอันเดียวข้อเดียวได้เออเอาถ้าอย่างนั้นไม่ต้องรักษาไม่แล้วต้องรักษาอย่างอื่นนะ227ไม่ต้องรักษารักษาอันเดียวคือรักษาใจเนี่ยเห็นไหมพวกเราพระพุทธเจ้าเนี่ยฉลาดขนาดนั้นแหละให้รักษาใจนะแต่ละวันให้ดูใจของตัวเอง ถ้ามันสิ่งที่มันไม่ดีอย่าคิดนะคิดในสิ่งที่ดีคิดให้อาจารย์สอนให้ภาวนาอะไรให้บริกรรมอะไรให้กำหนดคิดอย่างไรให้เห็นอสุภะปฏิกูลอย่างไรให้เห็นธาตุสีดินน้ำลมไฟอย่างไรใ ห, ให้เห็นอาการสามสิบสองอย่างไรให้ดูในกรก ร, รมฐานและไม่ต้องคิดไปในทางอื่น ได้ไหมให้อยู่ในนะให้ดูใจของตนเองตลอดได้ครับผมเนี่ยไปถ้าได้ก็ไปรักษาใจอย่างเดียวไม่ต้องรักษาวินัยหรอกพระพุทธองค์ก็ตรัสอย่าง น, นั้นจากนั้นพราชนะก็เลยมากันรักษาใจอย่างเดียวดูใจของตัวเองเออไม่ให้กับเพื่องไม่ให้มันคิดไปทางอื่น อ, อ, อยูกับกรรมฐานอันใดอันหนึ่ง ย, ยึดแนวอยู่ในกรรมฐาน ไม่นานท่านก็ได้สำเร็จเป็นพะระอรหนันต์นะนี่แหละอันนี้ก็คือศีลของ พ, พระพุทธเจ้าและศีลและธรรมทุกึกทุกอย่างมันไม่ไปที่ไหนมันย่นเข้ามาย่นยอ่อเรามาถึงใจเท่านั้นเองใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจเพราะฉนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านทั้งหลายที่ท่านสอนมากมายสรุปแล้วก็ลงเข้ามาสู่ใจของพวกเรา ใจเป็นหัวหน้านโนปุกพังข้ามมาธรรมหมามโนเสรามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจบารันขอให้พวกเราคณะจตธาญาตโยมลูกหลานทุกคนนะีให้ประกอบคุณงามความดีเท่าเอาคุณงามความดีเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจใจนั่นแหละเป็นคลังเป็นคลังที่รับบาปเป็นคลังที่รับบุญ มันรับทั้งสองอย่างนะใจของเราเนี่นะเพราะนั้นให้สิ่งไหนที่เป็นบุญสิ่งไหนที่เป็นบาทิ่งไหนที่เป็นบาปวัคุศลสิ่งไหนที่เป็นบุญเราควรจะทำสิ่งที่เป็นบุญสิ่งที่เป็นบาปเราอย่าคิดเมื่อคิดแล้วก็อย่าทำอย่าพูดแต่ถ้าว่าพวกเราเคิดในทางบุญบุญกุศลเข้าสู่จิตใจถ้าคิดขึ้นมาแล้วก็เป็นบุญ การกระทําออกไปก็เป็นบุญการพูดออกไปก็เป็นบุญกุศลแต่ถ้าเราคิดไปในทางชั่วเมื่อคิดขินไปทางชั่วการกระทําก็เป็นทางชั่วถ้าพูดออกไปก็ทางชั่วทางชั่วให้ผลเป็นทุกข์ทางดีให้ผลเป็นสุขเนี่แหละอันนี้ก็คือในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาสรุปแล้วก็คือท่านให้เน้นไปในทางกรรมกรรมคือการกระทํา ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเพราะนั้นพวกเราให้มาถึงวันนี้แหละอย่างวันนี้แหละพวกมาพวกเรามากระทำมากระทำคิดจะก่อนว่าเราจะมาในงานวันเกิดของหลวงปู่ของเราที่รักเคารพนับถือเลื่อมใสข้าพ เ, เจ้าจะมาทำบุญในวันเกิดขององค์ท่านนี่แหละคือเป็นบุญคิดขึ้นมาทางดีหละจากนั้นพวกเราก็ได้มามาทำบุญในวันนี้นะมาไหว้พระ สมาทานสิ่งเจริญพระพุทธมนต์อย่างนั้นก็ได้ทำทานกับองค์วงหลวงปู่ของพวกเรานี่ล้วนแล้วจะเป็นบุญกุศลเมื่อเราคิดดีแล้วก็ทำดีแล้วก็มาพูดสาธยายอรหังสวาคะตตสุปฏิปโ น, โนล้วนแล้วจะเป็นคุณงามความดีทั้งนั้นอันนี้คือมาสร้างคุณงามความดีแต่ถ้าว่าเราทำสร้างความชั่วเนี่ย ชั่วก็คือในหลักธรรมคำสอนก็คือศีลห้าศีลห้าของพระพุทธศาสนาเนี่ยนะถ้าว่าใครไม่มีศีลห้าไม่เคารพในศีลห้าฆ่าสัตว์ฆ่าโมยทรัพย์ไม่เคารพสิทธิในสามีภรรยาโกหกแล้วก็ดื่มสุรานี่ะคัญชายาฝิ่นเฮโรอีนของมึนเมาทั้งหลาย เราเสพหรือเราดื่มเข้าไปเมื่อดื่มหรือเสพเข้าไปแล้วขาดสติเมื่อขาดสติแล้วทำความชั่วในทุกอย่างทีนี้ข้อที่ห้ฆ่าใครก็ได้ขโมยใครก็ได้ล่าปลาร ะ, ะ, ะลวงสามีภรรยาลูกหลานของใครก็ได้โกหกใครก็ได้เพราะอะไรเพราะขาดสติถ้าสรุปแล้วคือสินสินสี่ข้อเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาจอะไรเอาใจเราไปใส่ใจเขา แต่สินข้อที่ห้าเป็นศิลคุ้มครองสีข้อนั่นเองถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนอะไรเหมือนสังกสีหรืออะลูซิ่งที่บนหลังคาศาลาของเรานี่แหละเรียกว่าคุ้มครองศินทั้งสีข้อให้อยู่ในกรอบแต่ถ้าว่าไม่มีอะลูซิ่งอยู่ข้างบนแดดออกมาฝนตกออกมาพื้นศาลาอาคารหลังนี้เสียหายหมดเพราะเหตุอะไรเพราะว่า ไม่มีหลังคาคุ้มของอันนี้ก็เหมือนกันนะั่นแหละถ้าคนขาดจิตเมื่อคนขาดจิตแล้วทำความชัว่วได้ทุกอย่างฆ่าใครก็ได้ขโมยใครก็ได้เร่าร่าประ ล, ล, ลวงสามีภรรยาลูกหลานของใครก็ได้โก็หกใครก็ได้เพราะอะไรเพราะขาดจิตเพราะฉนั้นสิ่งเหล่านี้มันเกี่ยวเนื่องกันนะคณทาญทาติโยมลูกหลานทุกคนนะให้พวกเราศึกษาและฟังเอาไว้ ว่าศีลธรรมของพระพุทธเจา้าเป็นศีลคุ้มครองโลกมาตั้งแต่ดึกดำบันแต่วันนี้เองหลวงพ่ อ, อยากจะแนะนำพระนัตถายาติโยมลูกหลานเพราะว่าพวกเราไปต่างถิน่นไปไปหลายแห่งหนบางทีก็ได้ไปฟังธรรมเทศนาในงานศพหรือว่าไปงานต่างๆกตโดยมากครูบาอาจารย์กับท่านอธิบายเรื่องทานเรื่องศีลโดยมากจะยาก ที่จะภาวนาอธิบายเรื่องภาวนาโดยมากมีแต่เรื่องทางเรื่องจีนแล้วก็สลองเรื่องราวต่างๆแล้วก็จบลงไปแต่จะอธิบายเรื่องภาวนาให้พวกคณะสัตยาญาติโยมได้ฟังได้ศึกษาอันนี้โดยมากที่หลวงพ่อไปฟังฟังดูก็ไม่ค่อยจะมากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นในวันนี้พวกเรามาการาบคารวะวงหลวงปู่หลวงปู่ที่จะเป็น ที่รักเคารพนับถือเลื่อมใสของพวกเราท่านทั้งหลายหลวงปู่ทาอย่างไรเนี่ยหลวงปู่ทาอย่างไรหลวงปู่ภาวนานะอพูดเลยว่าหลวงปู่ภาวนาอย่างพระพุทธเจ้าของเราก็เหมือนกันให้พวกเราศึกษาว่าพระพุทธเจ้าที่มีชื่อชื่อเสียงโดง่ดงดงัดงเอันดับแรกกคือพระพุทธเจ้าทําอย่างไรในพวกเราก็ให้ศึกษาดูถ้าเราศึกษาดูแล้วพระพุทธเจ้าภาวนา เอออย่าพูดอย่างนั้นได้คือพระพุทธเจ้าภาวนาตั้งเออกข้อแรกเลจะเป็นกอไก่เอ่อเรียกว่า A หรือจะว่าหนึ่งอพูดอย่างนั้นได้เลยคือหนึ่งเรือว่า A หรือกอไก่คือพระพุทธเจ้าเมื่อท่านออกจากเวียงวังไปอยู่ในป่าไปบำเพ็ญอยู่ในป่าทั้งหปีลองถูกลองผิดลองผิดผิดลองถูก เหมือนกับท่านสอแสวงหาอย่างหนึ่งในพระไทยในใจของพระองค์แต่มันไม่เจอมันไม่ได้สมความมุ่งมา่นปรารถนาท่านก็เลยทดลองดูว่าทำอย่างนี้ดีไหมทำงั้นดีไหมจนไปศึกษากับลาดาระบทอุตตะดาบทลือศีอยู่ในละแวกนั้นเข้าไปศึกษาท่านลือศีเหล่านั้นก็ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญชนานาญในสมาธิท่านก็สอนสิทธัศนพอสอนเข้าไป สิทธิฐานเนี่ย ท, ทำได้ทําได้ทุกอย่างตามที่ฤาษีด า, าราบทสอนจากนั้นด า, าราบทอายุแก่แล้วเออท่านสิทธิฐานไม่มีใครที่จะทําได้เหมือนท่านมีท่านองค์เดียวนี่ยแหละทำที่สมาธิที่ที่ผมอสอนขอผมอายุแก่แล้วขอให้ท่านมาเป็นอาจารย์ผมจะมอบอาอาวาสให้ลูกศิษย์ให้ ไอ้เอกไม่นานผมก็จะตายแล้วให้ท่านมาเป็นอาจารย์เป็นขน้ า, าราชการแทนผมอยู่ตรงนี้ได้ไหมศิธิ์ฐานาว่าไม่ยังไม่รับอยังไม่รับขอลาขอลาอาจารย์เพราะว่าจบแล้วต่อไปก็อุทกการดาบทไปศึกษาอกีกก็อุทกการดบทควสอนอีกอย่างเก่าอือใช่ศิทธิ์ฐานนี่ท่านทําได้เป็นสมาธิ แนบเปลี่ยได้แต่ก็มอบอาวาสให้อีกมอบลูกศิษย์5 0ารให้อีกชิตถาก็ไม่เอาบอกว่ายัางไม่ใช่ทางที่ตัวเองต้องการจากนั้นพระองค์ก็ออกมาอยู่ตามลำพังบําเพ็ญอยู่ตามลำพังอดพระกยายอาหารถึงสี่สิบก้าวันเนีใครเขาบอกเป็นการอดออทดลองดูสิทรมานทางกายอดพระกยอาหารสี่สิบก้าวันพออดเข้าไปแล้วดูแล้วไม่ใช่ทาง กิเลสราคะโทสะโมหะมันยังมีอยู่ยังไม่ยังไม่เนิ่องแต่ว่าร่างกายไม่ไหว49วันถ้าเป็นคณาจารย์ใดก็ตามถ้าอดเกินกว่านี้ไปตายแน่ไม่เป็นอย่างอื่นจากนั้นพระพุทธองค์ก็กลับมาสวยพักยาหารในช่วงนั้นช่วงปัญจวคีทั้งหที่ไปดูแลปนิบัติสิทธัตถ า, า ย, ยู่านั้น คอยเช้าคอยเย็นคอยเย็นคอยเช้าปนนิบัติทุกอย่างพอเห็นศิทธธ์ทาบำเพ็ญทุก ก, กิริยาบำเพ็ญอดภักยาหารถึง49วันปัญจวะัคคีทั้งห้าก็มองแบบตาไม่กระพริบเลยนะ่ะโอ้ข่าวนี้นะ่ะถาว่าทาว่าเราเราเหมือนกับเป็นนักมวยเอทเดียวบอกพระพุทธเจ้าเป็นขึ้นชกบนเวทีนะ่ะ ปัญจว่าคีทั้งข่าอยู่ข้างเวทีก็ต้องโอ้โหข่าวนี่แหล ะ, ะลูกพี่ของรถนอกแน่ชนะแน่คงจะรู้ได้ตัดจะรู้แน่แน่คงจะได้บรรลุในจริงที่มู่มาดปราถนาแน่แน่เอาจริงละข่าวนี่นะเพราะอดพักรยาหารถึง49วันแต่พอเสร็จแล้วสิทธิธถรไม่ใช่ไม่ใช่ทางการอดพกยาหารเป็นการทรมานกายมันไม่ใช่จุด จุดที่เราต้องการจากนั้นพระ อ, องค์ก็มากลับมาสวยพระกรยาหารพอมาสวยพระกรยาหารปัญจวัคคีทั้ง5เห็นนั่นแนหะแต่พระ อ, องค์ก็ไม่ได้อธิบายให้ฟังเพราะมันยังไม่ยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางใช่ไหมและจะอธิบายให้ใครฟังได้เพราะยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางกําลังศึกษาอยู่ไม่รู้ว่าผิดหรือไม่รู้ว่าถูกเนะี่ยจากนั้นศีทาพอกลับมาสิสวยพระกรยาหารฉันพระกรยาหารท่านั่นแนหะ ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าอ่อนใจเออลุกพี่ของเราเนี่ยไม่ได้แล้วออคลายความเพียรเวียนมาเป็นคนมากๆเสียแล้วไปเราหนีแน่ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเนี่หนีจากพระพุทธองค์หนีออกไปไปอยู่ตรงนเมืองพาราณสีจะนะ่ยอยู่ป่าไปอยู่ป่าอิสิปตนะคนะนับปตนามิขทายวันะแขวงเขตเขตแขวงพาราณสีนะ่ย ไกลพอสมควรนะอากนห้พระองค์ก็อยู่ตามลําพังเลยอยู่ตามลําพังไม่มีใครนะปจวคขีออกไปแล้วพระองค์ก็อยู่ตามลำพังพระกพระองค์ก็ไม่ได้ท้อเพราะพระองค์หนีออกจากเวียงวางก้อนนี้ไปคนเดียวปัญจวคขีทั้งห้เป็นส่วนเกินที่เข้ามาปนนิบัติพระองค์ก็ไม่ว่าแต่เมื่อพวกปจวคขีหนีไปแล้วพระองค์ก็ไม่ว่าอีกเหมือนกันพระองค์ก็บําเพ็ญของพระองค์อยู่ตลอดนะลอง ูกลองผิดแต่วันเดือนหกเพนนะ์ก่อนวันเดือนหกเพนนพระองค์สำนึกเลยว่าสมัยเราไปแลกนาขวัญกับพระบิดาสมัยเราเป็นกุ ม, มารนนะพระบิดาไปแลกนาขวัญแล้วก็แลกนาขวัญของพระบิดาเนี่ยก็คือไม่ใช่วันแลกนาขวัญธรรมดานะไม่ใช่ไถนาสนามหลวงอย่างพวกเราเห็นที่ทาง ประวัติสมเด็จพระเจ้าหัวหรือว่าตัวแทนพ ông, ระองค์แลกนาควันแต่สมัยนะั้นคงจะเอาจริงเอาจังนะคงจะพระเจ้าแผ่นดินก็คงจะไปไถนาในท้องนาจริงๆจากนั้นก็พระเจ้าจุธโอทนะก็ได้บริวารก็ไปลงในท้องนาเป็นการแลกนาขวัญแต่ทีนี้เขาก็เอาศิทธิธรรมพระราชกุมารยังยังเป็นเด็กอยูนะ่แต่ไม่รู้จะอายุกี่ขวบในช่วงนั้น ตอนนี้นางสนมกำนันพี่เลี้ยงนางนมทั้งหลายก็ไปด้วยพอไปเสร็จแล้วพระเจ้าแผ่นดินก็พระเจ้าจุดโทธนาก็ลงไปแลกนาขวัญในท้องนาแต่ได้เขาก็ให้ชิทธาติธาติท่านก็คงจะนอนตื่นแต่เช้าก็คงจะงัวงเงียคงจะลกน้องไอพี่เลี้ยงนางนมทั้ไหลายกับปเูเสือปูที่หลับนอนแล้วก็มาให้ชิท ธ, ธาติ บรรทมอนอนอยู่ที่อยู่ที่อาสนะนั้นต่นนี้นพวกที่เลี้ยงนางนมทั้งหลายก็อยากจะไปดูที่ พ, พระเจ้าจุดโทธนะแลดนาขวัญก็เฮโลกันไปปล่อยให้พระลูกเจ้าคือสิท ธ, ธะนอนอยู่ตามลำพังในเมื่อสิท ธ, ธะนอนอยู่ตามลำพังมองไม่เห็นไขรพอตื่นขึ้นมามองไม่เห็นไข่เออมันอยู่ในที่สงบในเปียว เปลี่ยวเดียวดาย น, น, น่นแหละขอให้พวกเราท่านทั้งหลายสังเกตนะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังสมาธิจะเกิดขึ้นมาได้ต้องอยู่ในที่เปลี่ยวเดียวดายอยู่ในที่สงบสงด อ, อยู่ในที่กลัวอีกต่างหาก่ออันนี้สิทธัตถะท่านคมองไม่เห็นใครท่านก็นลุกขึ้นมาก็นั่งขัดสมาธิ่ตัวเด็กๆเล็กๆนะนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้าย จากนั้นพระ อ, องค์กำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าออกจากนั้นพระไทยใจของสิท ธ, ธัตถะเตณปิดที่เป็นพระ ก, กุมารรวมสงบลงเป็นหนึ่งจิตใจรวมเน่งลงเป็นหนึ่งจนเกิดอภินหารว่าตนว่า ต, น, าตนนั้นที่นั่งอยู่โครนทั้งที่แดดจะส่องเข้ามาตาม ที่มันแดกสองตอนบ่ายแต่วันนั้นต้นว่าเนี่ยเหมือนกับกลางมุ้งเลยแดดเข้ามาไม่ถึงศิทัตะเป็นที่อัศจรรย์ของพี่เลี้ยงนางนมคงจะทำพิธีนานพอสมควร น, น, นะไถนาจากนั้นกลับขึ้นมาเห็นศิตทัตตะนั่งขัดสมาธิอยู่ตามลาพังจากนั้นก็ศิท ธ, ธทัตตะท่านก็ออกจากสมาธินี่แหละอันนั้นคือครั้งแรกที่พระพองค์ ได้นั่งคัดสมาธิทําไมพระ อ, องค์เรียนมาจากไหนทําไมจึงได้นั่งอย่างนั้นเป็นอุปนิสัยเก่าแก่แกดึกดําบันเพราะว่าพระพุทธองค์ไม่ใช่เกิดมาชาตินี้ชาติเดียวชาติที่แล้วเนี่ยเป็นฤาษีสีภัยไม่ลูกกี่กี่ร้อยกี่พนันกี่หมื่นกี่แสนชาติบําเพ็ญมาแล้วเรื่องกิตตภาวนานั่งสมาธิมาแล้วแต่ยังไม่ได้สําเร็จมรรคสาเร็จพอแต่บําเพ็ญเคยเป็นอุปนิสัยมาแล้วเรื่องการนั่งสมาธิเนี่ย นี่แหละอันนี้คือสิท ธ, ธิฐานจากนั้นพระองค์ก็ไม่ได้ทำอีกเลยไม่ได้ยินในพุทธประวัติว่ายังไม่ได้พระองค์ไม่ได้ทำไม่ได้นั่งขัดสมาธิอีกออจากนั้นก็เรียนหนังสือจนเป็นหนุ่มขึ้นมาอายุ16ปีก็ได้ เ, เข้ามงคลสมรสแต่งงานจากนั้นก็ได้ของราชสมบัติพระบิดาก็มอบ ร, ราชสมบัติให้สวยของราชเพราะว่า ชิตธาเนีเนี่ยมั่นทราบว่าชิตธาจะได้เมื่อครองราชจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิถ้าหากว่าออกบวชจะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งแต่พระบิดาเนีหมายมั่นปั้นมือว่าจยากจะให้ลูกชายเนี่ยเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่เป็นใหญ่ในแผ่นดินนี่แหละคือความมุ่งมั่งคู่มุ่งมั่มนมุ่งหมายของพระเจ้าจุฑโทธนาแต่นี้ท่านก็มอบให้ลูกชายเป็นผู้ครองราชแลแต่อายุ16ปี เข้ามองคลสมรสจากนั้นก็พอต่อมาเนี่ยจนอายุ29เปีเเพระ อ, องค์ครองราชจนถึงนางพิมพายโสธราทรงคันทรงคันแก่พระเจ้าทุทโททนาคนวางปล่อยมือเออสิธธฐานเนี่ยคงจะอยู่อยู่กับครอบครัวอยู่กับราชสมบัติได้แล้วก็คงจะไม่หนีออกไปบวชละที่นี่คล้ายๆว่าพระบิดาก็วางพระไทยวางใจ ได้ในในช่วงหนึ่งแต่ที่ไหนได้นะสิทธาฐาเนี่ยพอออกมาบวชเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายทเทนเี้ในขณะที่ไปสมสวนอุทยา น, นยแล้วก็เห็นส ม, มณะส ม, มณะขึ้นนักพรตนักบวชเห็นคนแก่ขึ้นมาสาลดใจเออทำไมคนจึงแก่ถ้าเห็นคนเจ็บอีกอ้าวทำไมคนจึงเจ็บอ้าวทำไมเห็นคนตายอีกทำไมคนจึงตาย และเห็นส ม, มณะเอาทำไมเห็นส ม, มณะถ้าหากว่าเรามานั่งสมาธิอย่างส ม, มณะท่านนี้นะ่ะเราคงจะมองเห็นทางเห็นทางที่จะผลทางผลทุกได้แต่ถ้าเราอยู่ในเวียงในวังอยู่ในที่วุพุ่นวุ่นวายในการบริหารจัดการเมื่อเราเป็นครวัตคงไม่มีทางที่จะมองเห็นทางที่จะ หนทางที่จะหนทางที่จะพ้นทุกได้เนะี่ยอันนี้ก็พวกเราฟังฟังเอาไว้นะนี่แหละบางคนก็มาถามว่าเป็นครวญนี่ที่จะบําเพ็ญภาวนานี่ถึงทางพ้นทุกได้ไหมได้แต่มันก็ยากถ้าว่าเป็นนักพ้นนักบวชนี่มีช่องมีทางมากกว่าเพราะมันตัดออกมาแล้วอยู่ในที่สงบสงัดพระพุทธเจ้าท่านเนี่ยท่านไม่ใช่ทางว่าท่านจะได้สําเร็จเนี่ยท่านก็คงจะอยู่ในเวียงวัง ท่านคงคงจะไม่มาบําเพ็ญอยู่ในป่าดงพงไพ่ตั้งหปีนะีอันนี้พระองค์ก็พอเห็นนี้ตัดสินพระไทยหนีสระราชสมบัติออกไปอยู่ไปบวชในป่าแม่น้ําอนุมานาทีเนะี่ยนี่แหละอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าหนีออกจากเวียงวังนะจากนั้นก็ไปบําเพ็ญลองถูกลองผิดอย่างที่หลวงพ่อได้เรียนได้กล่าวให้พวกเราจากนั้นวันเดือนหกเพนวันสุดท้ายที่ท่านได้ตัดรูนะ้น่ย เมื่อท่านบําเพ็ญทางบําเพ็ญทุกะกิริยาปัญจวัคคีหนีออกไปแล้วน่ยพระองค์ก็นั่งอยู่ตามลาพังวันเดือนหกเพนวันนั้นอะเป็นวันตัดสรู้เป็นวันตั้งคือว่ากอไกหรือวันหนึ่งหรือเอ่เนี่ยที่พระพุทธเจ้าเลยมีความหมายในการบําเพ็ญของพระองค์คือพระองค์นั่งขัดสมาธิวันนั้นนายโสติยะนายโสติยะ ในคนในชุมชนกลุ่มนั้นละ่ะไปเกี่ยวญ่าคาในละแวกนั้นจากนั้นก็หาบญ่าคาผ่านมาก็เห็นสิทธัตถานั่งอยู่ตามลำพังอยู่โคลนต้นโพต้นโพพุทธขยานต้นโพเราก็รู้นะถ้าเราเห็นต้นโพแล้วรากมันลอยนะรากเป็นอยู่ในรอยในพื้นดินมันนั่งไม่สบายสิทธัตถ์เอนายโสธิยะเอเราควรจะนำย่าคาถวายท่านมอบให้สิทธัตถะน่แหละ อันนี้ก็ทาเราไปว่าไปแล้วก็คือคนที่มีอุปนิสัยคนที่มีเห็นกันมันเกิดความเคารพนับถือเลื่อมใสกันเองนะอันนี้ก็คือนายโสธิยะเห็นจิตทัศถ์แลยก็เกิดความเคารพนับถือเลื่อมใสแต่ถ้าหากว่าคนที่ไม่มีอุปนิสัยเหมือนกันเห็นกันมันขวางกันเลยนะเฮ้ยมันขวางกันเลยเมื่อเทวทัศเห็นพระพุทธเจ้าอย่างนั้นนะมันขวางกันแต่นี่โสธิยะเห็นจิตทัศน์เนี่ย โอ้ท่านนั่งตามลําพังควรจะเอายญ้าคามหม้อไฟท่านได้ก็มอบญ้าคา8ปดกำมือให้สิทธาสิทธาได้หาคา8ปดกำมือแล้วก็มองหาทำเลที่จะนั่งกัมองเห็นทางทิศตะวันออกอพอเห็นทิศตะวันออกที่ทําที่นั่งกัปูอาชนะเออเอาย่าคาประสานกันเอาหัวสลับหางหางสลับหัวนะอย่างละสีกํามือจากนั้นก็ขึ้นเป็นนั่งนั่งบนหญาคา เพอนั่งยาคาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงนี่แหละพวกเราฟังเอาไว้กรรมฐานของพระพุทธเจ้าที่ได้ตัดรูเ้เป็นนับหนึ่งนะท่านทําอย่างไรนี่แหละให้ฟังเอาไว้คณ า, าจารย์ทุกวันนี้สอนมากมา ย, ายหลายอย่างจากพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาแต่เราอย่าลืมอันนี้คือกระจกเงาหรือว่าเป็นเบื้องต้นกรรมฐาน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 กระสับกระสายส่งไปที่อื่นเหมือนกับเรายือนอยไปยือนอยู่ข้างประตูประตูทางขึ้นมานี่นะเวลาคนขึ้นมาเราก็รู้ว่าคนขึ้นมาในศาลาแต่ไม่ต้องตามเข้ามาในศาลาเวลาคนจะออกไปก็ไม่ต้องตามคนออกไปข้างนอกเพียงแต่รู้ว่าคนเข้ามาแล้วก็คนออกไปคนเข้ามาแล้วก็คนออกไปนี่แหละอันนี้เลยคือให้ มีสติสัมปชัญญะอยู่ที่ปลายจมูกกําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกไม่ต้องเกรงไม่ต้องปรึงไม่ต้องแต่งลมให้เป็นธรรมชาติหรือให้มีแต่สติอยู่ที่ปลายจมูกเท่านั้นอันนี้แหละคือกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ในวันเดือนหกเพนตตอนหัวค่ําเมื่อพระองค์เมื่อพระไทยใจของพระองค์อยู่ที่ กำหนดอยู่ที่ปลายจมูกไม่เพลอจากนั้นพระไทยใจของพระองค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งจิตใจรวมพอจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งเกิดยานรัตน์เกิดฌานขึ้นมาเจะว่าปุบเพนิวาสานุสติญาลำลึกชาตดขนหลังได้เนี่ยอันนี้หลวงพ่อพูดไปที่ไหนหลวงพ่อก็ต้องเอาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นม า, มาเป็นกระจกเงาให้พวกเราลูกหลานทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษานี่แหละคือกรรมฐาน ที่พระพุทธเจ้าได้ตัดรู้ในวันเดือน6กเพนนนั่นนะ่ะคือญาณขั้นขั้งแรกปุบเพนิวาสานุสติญาณรละลึกชาติขนหลังได้คือมองพระองค์พระองค์มองพระองค์ก่อนศิทธั์ฐามาจากไหนมาจากที่นี่จะมาเกิดที่นี่มาจากไหนเถอเพราะท่านมีญาณท่านมีความรู้อะไรเถอ น, นี่มีชาญมีญาณทัศธสติท่านก็ระลึกได้เออเราอยู่บนสวรรค์เราอยู่สวรรค์ชั้นรุสิต จากนั้นเรากำลังจะขึ้นไปสู่ชั้นอื่นพรมแล้วเทวดาได้อาราธนาได้เชิญเราลงมาเราไดมาเกิดที่กรุงกบินละพัทกับพระมานดาคือแม่ในสรมหามายาพระเจ้าจุดโทธนะเป็นพระบิดาเนะี่นี่แหละพระพุทธเจ้าของเราไม่ใช่เทวบุตรเทวดานะเป็นมนุษย์แต่ท่านเป็นกษัตริย์มีที่ไปมีที่มาที่กรุงกบินลพัจากนั้นเมื่อพระองค์มองเห็นแล้ว แต่ก่อนหน้านี้ล่ะก่อนที่จะขึ้นไปชวชั้นอุสิตล่ะเรามาจากไหนท่านก็มองไปอีกเป็นพระเวทชนดอนแอเป็นสมัยนะั้นเป็นพระเวทชนดรบําเพ็ญฐานปณิมีจึงขึ้นไปแล้วก่อนที่จะมาจากเป็นพระเวสันดอนมาจากไหนท่านก็เรียงลําดับไปคือว่า10ชาติของพระพุทธเจ้านั่นแนหะแอบจากนั้นก็50ชาติร้อยชาติหมื่นชาติแสนชา ต, ชาติพระองค์รู้ได้ทั้งหมดญาณรัศนะของพระองค์ละเอียดทีท่วน เพราะนั้นในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาแต่ว่าตายแล้วไม่สูญให้ฟังเอาไว้เถิดนะตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีก เ, ออเกิดแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นพระพุทธองค์ท่านบอกยืนยันตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดจากนั้นพอถึงเที่ยงคืนเถิดพระองค์ก็นั่งภาวนาไม่ลดละกําหนดดูพระทัยใจของพระองค์รวมสงบเป็นอีกออระบบหนึ่งสเต็ปหนึ่งจากนั้นเกิดยานทัศน์ขึ้นมาว่า จุตูปปตาตยานยานที่สองเกิดขึ้นจ ต, ตูปปตาตยานคือพระองค์มองคนอื่นอย่างพวกเราท่านทั้งหลายอย่างลุงพ่อนั่งเฉลยลุงพ่อก็มองแต่และดวงวิญญาณของพวกเราท่านทั้งหลายทำไมพวกเราเกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนกันเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่ทำไมไม่เหมือนกันคนหนึ่งฉลาดคนหนึ่งไม่ฉลาดคนหนึ่งรวยคนหนึ่งจน คนหนึ่งสุขภาพแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะเหตุไรจึงเป็นอย่างนี้เพราะองค์บอกว่ากรรมคือการกระทาถ้าว่าไทยใครทำกรรมดีกรรมดีจะให้ผลถ้าใครทำกรรมชั่วกรรมชั่วจะให้ผลกับคนคนนั้นเพราะนั้นคนจึงไม่เหมือนกันกรรมเป็นผู้ตกแต่งให้สรรพสัตว์ทั้งหลายแตกแตกต่างกันนี่แหละคือผู้องค์มองมองดูในเ ท, ท, ที่ยงคืนในวันนั้น แล้วว่าจุตูปะปาต่ญาติการจุติเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเมื่อได้โอให้โอวาทปติโมกว่าอั ก, กตังลุกตังไสยโยปัชชาตปติทุกตังกรรมชั่วอย่าทําเสเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อให้ผลจะทําให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังนี่แหละอันนี้ก็คือผู้ทรงบอกว่าใครทํากรรมไม่ดีกรรมนั้นจะให้จะทําให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลัง ไม่ว่ากรรมอดีตหรือว่าไ ม, ไม่ว่ากรรมปัจจุบันกรรมอดีตก็คืออดีตกรรมอย่างพระโม ค, คัลาที่ท่านฆ่าพ่อแม่ของท่านมาพบนี้ชาตินี้ท่านก็โดนโจรฆ่าที่กาลศีหลากแขกเขตแขวงกุงราชจะคือเพราะเหตุไรเพราะว่ากรรมของท่านได้กระทําไว้ในอดีตท่านฆ่าพ่อฆ่าแม่ของท่านเพราะนั้นมาพบนี้ชาตินี้ถึงท่านจะเป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้าเหาะเหินเดินฟ้าได้ ก็ไม่พ้นกรรมมีอิติลิทขนาดไหนก็เจะออจะแก้ข้อแก้กรรมขนาดไหนก็เถอะไม่พ้นเพราะอะไรกรรมเหนือกว่าอิติลิทนี่สู้กรรมไม่ได้กรรมรีเหนือกว่าอิติลิทเพราะฉะนั้นเมื่อได้ทํากรรมสิ่งไหนที่มันไม่ดีไปแล้วกรรมนั้นจะตามสนองกรรมนั้นจะให้ผลอย่าง พ, พระโมกขารท่านก่อเหะเหินเดินฟ้าได้เป็นนักฆสาวกข้างซ้ายของพระพุทธเจ้าพอในสุดก็ถูกโจญฆ่า คนทั้งหลายจะโจดขานกันอย่างมากว่าพระโมคคลาธรรมคุณงามความดีเป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชมีแต่ประกอบคุณงามความดีทาไมถึงโจดถึกโจรฆ่าอย่างนี้ไม่ไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะเป็นอย่างนี้พระพุทธองค์บอกว่าไปกราบทูลถามพระพุทธองค์พระองค์บอกว่าโมกคาลาตายสมควรแก่กรรมที่ตนได้กระทําไว้พระสงฆ์ทั้งหลายกราบทูลถามอากรรมอันในหนอพระเจ้าค่ะพร ะ, พระพุทธองค์บอกว่า อดีตชาติเทวดโมกขลาศฆ่าพ่อกับฆ่าแม่เพราะฉนั้นกรรมตัวนั้นอะตามสนองหลายพบหลายชาติมาแล้วมาชาตินี้ก็เถอดแต่ออกจากชาตินี้ละโมกขลาเป็นพระอรหันแล้วกรรมเหล่านั้นไม่สามารถที่จะตามถึงพระไทยระวัตใจของพระอรหันได้เป็นอโหสิกรรมกรรมให้ผลําเร็จในชาตินี้นต่อไปก็แปลว่ากรรมตัวนี้ตามไม่ถึง หาไม่เจอแล้วเนะี่ยนี่แหละอันนี้ก็คือพี่พระองค์มองดูในเที่ยงคืนนั่นนะ่ะท่านวัดจู่ปะปาแต่ยาการจุติของสรรพสัตว์ทั้งหลายปัจจุบันนักกรรมนี่คืออะไรปัจจุบันนักกรรมก็คือเนี่ยอย่างสมมดว่าพวกเรานั่งอยู่นี่นะลุกขึ้นมามัวเมียขึ้นมาเอามีดไปจ้วงแทงคนคนหนึ่งตายเนี่ พ, อ, พอตายแล้วจะได้เขาไม่ปล่อยให้ อยู่ธรรมดาเด่นเขาก็ต้องจับพ่อจับเสร็จแล้วก็เอาไปขังคุกนะ่ยนี่แหละเอาไปขังคุกเอาไปขังไว้เพราะตัวเองเป็นคนเลวคนชั่วกี่ปีนะถึงนี่แหละอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆแต่ทํากรรมอย่างอื่นล่ะถึนี้่ไปขายสิ่งที่มันไม่ดียาบ้ายาหมากัญชายาฝิ่นป้นจี้ขโมยของเขาสิ่งที่ความชั่วเมื่อเขาจับได้ไล่ทันนะเขาก็ไปขังคุกเอาไว้นี่แหละอันนี้คือคือกรรมปัจจุบันปัจจุบันนั ก, กรรม กรรมคือการกระทําในปัจจุบัน เ, เพราะเหตุ น, นั้นพระองค์จึงว่าอากตังลุกกตังเสยอยู่ปัจฉาตะปฏิทุกกตังกรรมชั่วอย่าทําซะเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อท่านทําลงไปแล้วกรรมชั่วให้ผลตัวเองตัวท่านแลจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะฉะนั้นตัวเองทํากรรมอันไหนไว้กรรมนั้นจะตามสนองเพราะนั้นพระองค์จึงเน้นพุทธ ทำคําสอนขององค์เยาวดเน้นเรื่องของกรรมคือการกระทำทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเพราะนั้นสิ่งที่มันชั่วอย่าทำทำแต่กรรมดีอันนี้ก็คือพระองค์มองเห็นในเวลาเที่ยงคืนจากนั้นพระองค์ก็มองอพอถึงจวนสว่างพระองค์ก็ดูอีกว่าใจตรงนี้มาจากไหนมาวกวนเวียนเวียนไหวาตายเกิดในวัฏสงสารไม่รู้กี่ภพกี่ชาติทาไมจะมาวกวนเวียนอย่างนี้ พระ อ, องค์บอกว่าเพราะมันมีมีกิเลสมีกิเลสเป็นผู้พานําเอาเถอะมันมาจากไหนใจดงนี่พระ อ, องค์ก็ย้อนดูดอนย้อนดูพระไทยใจของพระ อ, องค์ว่ามาจากไหนต้นต่อของกาเนิดที่เกิดมาของใจนะั้นเกิดมาจากจุดไหนพระ อ, องรองก็ย้อนย้อนย้อนไปดูไปเห็นเออเรกว่าปฏิปฏิจจะสมุบาทอวิชชาปัจจะยาสร้างฆาราสร้างฆาราปัจจยาวิญญาณัง วิญญาณนั่งปัจญานามะรูปังจนถึงโศกผลิตเหวทุกขโทมณสุการที่ร้องให้พิรไรรำพังโศกเศร้าทุกวันนี้เพราะมันมาจากตัวนะ่ะจุดแรกก็คือตัววิชาคือความโง่เออมาจากความย่โง่ใจตรงนี้มาจากความโง่ใจตรงนี้มาจากตัววิชาคือตัวไม่รู้นะไม่เกินกว่านั้นไปอีก แต่ก่อนนั้นไม่รู้มันมาจากไหนแต่รู้เพราะพระองค์รู้แต่ว่ามันมาจากตัวอวิชชาเออเกิดมาจากจุดนั้นเอาเถอะมันมาจุดนั้นแล้วเถมาถึงจุดนี้น่ะทำไมจึงจึงวกวนเวียนเพราะเป็นเพราะเหตุอะไรเพราะกิเลสกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะรอบโกดหลงอยู่ในใจของของแต่ละคนเพราะฉะนั้นจะชําระด้วยวิธีกรรมอย่างไรที่จะชําระใจ วันนั้นแหละวันเรือน6เพนพระพุทธเจ้าไในชําระพระไทยของพระองค์ด้วยตปธรรมคือศินสมาธิปัญญาคือมรแปดนั่นแหละนี่แหละมรแปดนั่นแห ะ, ะคือศิลสมาธิปัญญาอยู่ในมรแปดนั้นสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นสัมมาสมาธิเป็นสุดท้ายจากนั้นพระองค์ก็ใช้มรแปดกันกรองไตรตรองพระไทยใจของพระองค์ ได้ตัดสู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโคลนต้นโพในวันเดือนหกเพนนนั้นพระองค์ประกาศได้เลยว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราแล้วเราจะไม่เกิดอีกแล้วสิ่งที่จะทําให้เกิดนั่นคือกิเลสราคะโทสะเรากําจัดออกไปแล้วเ อ, อหมดเชื้อแล้วใจของเราหมดเชื้อแล้วที่จะทําให้เกิดไม่มีอีกแล้วใจของเราบริสุทธิ์แล้วอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าประกาศพระธรรม ประกาศความบริสุทธิ์ในวันเดือนหเพต น, นั้นจากนั้นพระองค์ก็ได้เสวยวิมุตติสุขอยู่ในในละแวกนั้นอยู่ที่โคนอยู่ที่ต้น โ, โพเจวันอยู่ที่ต้นไซเจวันอยู่ที่สะมุจลิน7วัน อ, อยู่ในละแวกนั้ น, นรวมกันแล้วก็ฟังฟังโดยประมาณ 6- กหรือเอาทิตย์เหมือนกันน ะ, ะพระองค์เสวยวิมุตติสุขจากนั้นทางก บ, บองเออเราจะไปโปรตไข่นะเราจะไปโปรดใครหนะอะ ท่านก็มองเห็นดาราดาบทุวามลือสีที่ท่านไปศึกษาเพราะท่านเหล่านั้นเก่งเรื่องสมาธิถ้าเราไปสอนปัญญาให้ เ, เพียงครั้งเดียวท่านก็คงจะได้บรรลุโดยเร็วพลันแต่ี้ท่านมองไปแล้วท่านเห็นโอ้อดาดาบ ท, ทั้งสองพึ่งมรณะภาพลงไปสดสดร้อนอหมดแล้วไปสอนไม่ได้แล้ว พราะพุทธเจ้าไม่สอนคนตายนะพวกเราให้ฟังเอาไว้เหมือนกันสอนคนเป็นนะสอนคนเป็นแต่ดาบททั้งสองท่านตายไปแล้วพระพุทธเจ้าไม่สอนจากนั้นท่านก็เบนความคิดไปทางอื่นนะแต่ว่าก่อนที่พระองค์จะก่อนที่พระองค์จะไปคิดไปแสดงธรรมหรือโปรดนะพระองค์ก็น้อยพระไถนะ่ในพระไตรปิฎกนะอย่างที่พวกเราได้กล่าวว่าพรมมาจโรการนี่อันนี้ก็คือต้นเหตุหนึ่ง ที่พระพุทธองค์ได้ตัดสรู้เสร็จแล้วพระองค์อยู่เสวยวิมุตติสุขอยู่ในแต่ละแห่งที่ได้เจ็ดวันเจ็ดวันพระองค์ก็กันกรองไตตองในพระไทยของพค์เร้ธรรมของเราที่เราได้ตัดสรู้ธรรมนี่มันทวนกระแสของโลกจริงๆโลกของเราเนี่ยโลกของเขานี่วิ่งไปในทางราคะโทสะโมหะโลกโกรธหลงแต่ใจแต่ธรรมะของเรามันย้อนกระแส เท่าโลกทั้งหลายว่าร่างกายเป็นของสวยงามน่ารักใคร่ชอบใจแต่ทำคําสอนของเราเนี่ยที่เราได้พิจารณาเนี่ยร่างกายเป็นของอสุภะปฏิกเอ่อ ม, มันไม่ใช่ตัวตนของเราร่างกายเนี่ยบอกไม่ได้ใช้ไม่ฟังอีกสักวันหนึ่งมันต้องไหลไปตามสภาพของมันนี่แหละใจของเราจะมาหลงหลงร่างกายแต่เราจะไปสอนให้เขาได้อย่างไงไปสอนในโลกเพราะโลกของเขาติดในกิเลสราคะโทสะโมหะ แต่ธรรมของเราที่เราได้ตัดจรู้เนี่ยมันมันไม่ใช่อย่างนั้นมันทวนกระแสเขาถ้าเราไปสอนเขาจะฟังหรือเนี่ยคล้ายๆกับว่าท้อพระไทยเออเอาเธอะเมื่อเราได้ตัดจรู้แล้วก็เราก็ประนิพ้านไปเลยไม่ต้องสอนเขาละนี่แหละเทวดาและพรหมทั้งหลายที่จ้องมองดูพระพุทธเจ้าโอ้พระหลวงสิทธัตถันเออท้อพระไทยแล้วเออก็เลย พร้อมปันกันผมก็เลยมาอาราธนาเนีพรมมาเจโลกาเนี่ยขอพระองค์โปรดเทศนาวาการให้กับสับพสัต ท, ทั้งหลายโดยเทินผู้มผีผู้มีทุลีผู้มีปัญญามีอยู่ผู้มีกิเลสเบาบางมีอยู่ที่พระองค์ที่พระองค์แนะนําวิธีการจะให้ประชาชนรล้ว่าพคนใโลกทั้งหลายที่เกิดมาเนี่ยเขามีอุปนิสัยมีอยู่พระองค์โปรด เมตตาต่อผู้มีอุปนิสัยด้วยเถิดผู้ที่หนักหนาสาหาัสแล้วก็ไม่ต้องว่าการลพวกปะทะประมะแต่ผู้ที่เบาบางที่จะบรรลุมรรคสำเร็จมรรคสาเร็จผลมีอยู่พระองค์ก็มองหรอโอ้ใช่เราเนี่ก็เป็นมนุษย์สัตว์ทัพสัตว์เหล่านั้นก็เพื่อนมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ผู้มีอุปนิสัยมีอยู่เราจะไปดูถูกทุกคนไม่ได้ พระองค์ก็รับอาราธนาพรหมจากนั้นท่านก็มองปัญจวัคมองตาบทสองจากนั้นพ อ, อนาบทตายแล้วท่านก็มองไปหาปัญจวัคคีทั้งหนะ้าแน่เนี่แหละคือความเป็นมาของพุท ธ, ธะจากนั้นท่านก็ไปโปรดปัญจวัคคีทั้งห้าโภนทัญญวัปปะพัทธิยะมหานามอัจจิที่แขวงเขตกรุงพาลานสีพวกเราที่มานั่งอยู่ทรงนี่คงจะไป อ, อินเดียมากมายหลายๆคนเหมือนกันนะไป ไปดูที่สถานที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมาจากโปรดปัญจวัคคีทั้งห้าท่านได้สาเร็จมักสําเร็จผลอันนี้แหะคือความเป็นมาของพุทธะอันนี้คือกระจกเงาแต่นี้มาพูดถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราทีนี้อย่างหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นพวกเราท่านทั้งหลายได้คิดไหมว่าหลวงปู่มั่นท่านอยู่นุ่งจังหวัดอุบลนะอยู่ติด ลำแม่น้ําของอำเภอของเกียมนะั่นอ่ะทุกวันนี้เป็นอาเภออะไรเพิเ่นเปลี่ยนใหม่แล้วแต่ท่านกนนั้นเดินผู้รองมามาอยู่ที่บ้านหนองกองเนี่ยวัดหลวงปู่เพียรเนี่ยพวกเราคิดไหมสมัยนั้นนะถนนหนทางจะลําบากขนาดไหนจำพรรษาที่บ้านขอนาลายที่นั่งอยู่ที่ทั้งขวาทั้งซ้ายมือของหลวงพ่อนี่ไม่ไกลอันนี้ก็คือที่หลวงปู่มั่นมาจำพรรษาจากนั้นกขนั้น ขึ้นไปอยู่ที่อำเภอนายุงถ้าน้ำตกยุงทองที่หลังเขาน่สรุปแล้วก็คือหลวงปู่มั่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เสี่ยงตายจริงๆสมัยนั้นไข้มาลาเรียไม่ต้องพูดถึงเสือช้างพวกช้างพวกเสือสัตว์สาราสิงมากมายแต่องค์ท่านอยู่ตามลำพังอยู่ในป่าฮะอยู่ในป่าดงพงไพเสี่ยงเสือเสี่ยงช้างเสี่ยงสัรพสัตว์ทั้งหลายต่อชีวิต แต่พระ อ, องค์แต่องค์ท่านต ะ, ตะพายบาดแบกกรดมาหาภาวนาทําไมท่านถึงหาภาวนาท่านบอกไปท่านตามพ่อแม่ของครูบาอาจารย์ของพวกเรานี่ท่านไปภาวนาอยู่ในสถานที่กลัวๆอยู่ในถ้ำบ้างอยู่ในป่าช้าบ้างอยู่ในที่เปรียวอยู่ในที่สงบสงัดที่ภัยมากๆากเนะ่ยท่านจะภาวนาพราะเมื่อเราที่ไหนมันมีพิษภยัย มากมากใจของเราจะไม่ออกนอกลูกนอกทางกลางคืนกับพุทโธพุทโธอยู่กับพุทธโธมันก็อยู่กับพุทโธตลอดนะนี่แหละอันนี้ก็คือแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นพาดําเนินจากนั้นครูบาอาจารย์แต่ละองค์จะเป็นหลวงตาก็าดีจะเป็นหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่เทศหลวงปู่ต่างๆหลวงปู่ล่าพวกเราให้ฟังทำมาลิกิตของท่านที่ท่านปฏิบัติมา ท่านทำได้มักได้ผลได้สมาธิอย่างไรอันนี้ร้วนแล้วแต่เป็นแนวทางสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายแต่สำหรับพวกเรานะกรรมฐานสุดท้ายปลายหลังอย่างพวกเราเนี่ยหลวงพ่อนขนาดสร้างกุฏิที่พักพาใส่สะดวกสบายญาติโยมมาทางกรุงเทพกรรมฐานรุ่นหลังนี่ยกลัวในสิ่งที่ไม่กลัวกลัวจิ้งจกบังกลัวตุ๊กแกบังกลัวคางคกบังกลัวเขียตปาดบาง แหมกรรมฐานลุกยุกลุกยุกหลังเนี่ยกลัวสิ่งที่ไม่ควรกลัวกรรมฐานรุ่นปู่รุ่นทวดของเรากลัวช้างกลัวเสือกลัวงูจงอางแหมกลัวผีกลัวอะไรที่มองไม่เห็นแหมที่ท่านถึงน้ท่านก็ไปอยู่เพื่อภาวนาแต่กรรมฐานพวกเรานี่กลัวสิ่งที่ไม่ควรจะกลัวเพราะนั้นให้พวกเราสังเกตนะกรรมฐานของชุดท้ายภายหลังเนี่ยแหมกลัวจริงที่ไม่น่าจะกลัวนะ เพราะนั้นให้พวกเราฝึกถึงจะกลัวอะไรก็ตามต้องฝึกไม่ให้กลัวต้องมีเหตุมีผลจากนั้นหลวงปู่มั่นท่านก็ไปภาวนาจนได้มั่นมั่นใจในพระองค์ของในองค์ท่านจากนั้นท่านก็ได้แนะแนําสั่งสอนสิทธิญาณวิสิ์ของท่านในช่วงที่ท่านมาอยู่ทางภาคอีสานทางภาคอีสานท่านบอกว่ากําลังของเรายัางไม่พ อ, อ, อแต่ท่านท่านก็เลย หลีกปลีกตัวขึ้นไปอยู่ทางจังหวัดเชียงใหม่ไปอยู่กับพวกพวกกระเลงพวกกะเลีย ง, พว ก, กงพวกมูเสือพวกชาวเขาเพวกเผ่าต่างๆอยู่ในเขาทางเชียงใหม่ท่านไปอยู่นะ่นแปลว่าชีวิตของท่านท่านไม่ได้คิดถ้าทุกวันนี้ยาจะเป็นยังไงยาแก้ไข้มาลาเรียยาอะไรตัวม่อลรท่านไม่ได้สนใจ ถ้าท่านไปบำเพ็ญสรุปแล้วคือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเนี่ยก่อนที่จะได้ธรรมะมาแนะนําสั่งสอนพวกเราเนี่ยแทบล้มแทบตายพวกเราคิดอย่างนั้นได้นะจากนั้นท่านก็ได้มาแนะนําสั่งสอนพวกเราสิทธิอาจารย์นิิตทั้งหลายหลวงปู่มั่นสอนอย่างไรทีนี่เนี่เมื่อพระพุทธเจ้าพวกเราได้รู้แล้วว่าพระพุทธเจ้าได้ตัดสู้ที่โคนต้นโพนั่นท่านมีกรรมฐานอย่างไรที่ท่านได้ตัดรู้แต่หลวงปู่มั่นเนี่ย ท่านภาวนาที่ท่านนํามาแนะนําสั่งสอนสิทธิานุสิทธิ์ของท่านท่านทําอย่างไรอันนี้พวกเราก็เออมันเข้ากันได้ไหมกับพระพุทธเจ้าธรรมกรรมฐานของหลวงปู่มั่นมันเข้ากันได้ไหมกับกรรมฐานของพระพุทธเจ้าเข้ากันได้เพราะเหตุไรหลวงปู่มั่นท่านสอนว่านะเออเวลาเราจะนั่งภาวนาเให้ไหว้พระสกอดเพราะเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ แต่พระพุทธเจ้าท่านไม่รู้จะไหว้ใครนะแต่พวกเราเนี่เป็นบรมครูที่พวกเราเนี่ยที่พวกเราได้ศึกษาปฏิบัติเนี่ยเพราะเราได้ฟังธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมคาสั่งสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นเราควรจะยกครูสัก่อนคือไหว้พระสะกอตนราหังสวากาโตสุปฏิปโนจากนั้นก็ว่านโมตัสสะนโมตัสสะพระขาวโตสามจบ ขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอาราหาันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าจากนั้นก็พุทธทังทำมังสังขังสารณาางคัจฉามิฆะไปเจ้าขอถึงขอยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งดุติยามปีข อ, อยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นครั้งที่สองตาติยามปีฆะไปเจ้าข อ, อยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นครั้งที่สยึดพระพุทธเจ้าเป็นครั้งที่สามจากนั้นก็แผ่เมตตาแล้วเราจะ เราเราจะสวดมนต์มากกว่านั้นก็ได้แต่ถึงยังไงอย่าลืมแผ่เมตตาอาหารสุกิโตโหมิเน่อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งแต่แผ่เมตตาให้เป็นภาษาใจของตนเองเน่ยจะเข้าใจลึกซึ้งกว่าให้นึกในใจว่าข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นทั่วไตรโลกธาตุ ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพรเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพรเจ้าปรารถนาทุกๆดวงวิญญาณทุกๆดวงใจด้วยเถินอันนี้เคยคื อ, คอหลวงปู่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านไปอยู่ในป่าดงพงไผ่อยู่ในสถานที่กลัวท่านบอกให้แผ่เมตตาอย่างนี้ถ้าบางแห่งเราไปอยู่ในถ้ำหรือไปอยู่ในที่บางแห่งบางทีพวกภูมิมะลุขะเทวดาเขาหวงแหนในสมบัติของเขา เราก็ไปเลยบอกว่าข้าพเจ้ามามาณสถานที่นี่เรามาเพื่อพอวาวนาหาทางพ้นทุกข์ข้าพเจ้าไม่ได้มาเพื่อหวังทรัพย์ในดินสินในน้ําไม่ได้หวังมาขุดเอาเอาเงินเอาทองไม่ได้มามุ่งหวังเอาทรัพย์ภายนอกข้าพเจ้ามาหวังภาวนาเอาทรัพย์ภายในเท่านั้นขอให้เทพเจ้าเหล่าเทวาภูมิลุคะเทอดาจงอนุโมทนากับข้าพเจ้าที่มาบําเพ็ญในคราวนี้ครั้งนี้ ทุกทกท่านด้วยเทินอันนี้ก็คือเราแผ่เมตตาในจิตใจเมื่อเราแผ่เมตตาเวรภยัยพิษภัยจะไม่เกิดมีไม่มีในสถานที่เราอยู่นั้ น, น, นจากนั้นเราก็เมื่ อ, อไหว้พระสดเสร็จเรียบร้อยนั่งคัสมาธาิการนั่งสมาธิาให้อยู่ในที่โลง่ลงโลง่งโล่งถ้ามีมุง้งกางมุงอย่าให้มียุงเพราะยุงกัดมันเสียสมาธิ จากนั้นกับปนมมือขึ้นระหว่างอกคือไหว้ครูซะก่อนเนี่ยหลวงปู่ครูบาอาจารย์ท่านสอนนะปะนมมือเมื่อนั่งขัดสมาธิเรียบร้อยแล้วนะปนมือขึ้นระหว่างอกไหว้ครูซะก่อนพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรมโมสังโฆสามจบในเมื่อไหว้ครูเสร็จแล้วจะแผ่เมตตาอีกจนย่ออีกได้ข้าพรเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุข ขอสรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาอันนี้ก็คือใครข้าทำจิตใจของเราให้อ่อนน้อมไม่ให้เป็นพิษเป็นภัยไ ม, ถไม่ถือโทษไม่ถือโทษโกรธเครืองไม่ให้มีพยาบาทอาฆาตจองเวรกับใครๆทั้งหมดในขณะที่นั่งโพนาะเป็นเป็นลักษณะที่ว่าปล่อยวางให้อภัยกับทุกดวงวิญญาณ เราจะไม่ถือโทษโกรธเครืองกับไข่ถ้าเรามีถือถือโทษโกรธเครืองกับดวงวิญญาณหรือผู้ใดใครผู้หนึ่งใจของเรามจะไปเนี่ยอยู่ในองค์ น, นั้นละ่ะคนคนนั้นละ่ะมันจะไม่ไปไหนเลยเพราะมันมีที่ยึดคล้ายๆว่าวมันมีอาคาตพยาบาทเขาอยู่นะแต่ถ้าเราปล่อยวางทั้งหมดนะเราไม่ไม่มีการผูกพยาบาทอาคาตใคร เขาก็ใช้กรรมของเขาเราก็ใช้กรรมของเราสัพพสัตต์ทั้งหลายเกิดมาใช้กรรมของไข่ของเราอย่างที่หลวงพ่อหรือบอกพุทธเจ้าที่ว่าตูตูปปาแตยานจานการจุติการเกิดการตายของสรพพสัตต์ของไข่ของเรากรรมของไข่ของเราเราจะไปแบกกรรมแทนเขาเหลือเราจะไปใช้กรรมแทนเขาเหลอตามไมจริงมันไม่ใช่กรรมของไข่ของเราปอยเราจะไปยึดพวกเรามาเกิดกันกับมาเพียงแต่สวนทางกันเท่านั้นเอง เราไม่ใช่ว่าจะอยู่ด้วยกันชั่วฟ้าดินสลายตายไม่เป็นไม่ใช่อีกวันหนึ่งต่างคนก็ต่างมาต่างคนก็ต่างไปเรามีคุณงามความดีเพียงพอได้อย่างก่อนที่เราจะจากไปอันนี้แหละเป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องคิดจากนั้นเมื่อเราแผ่เมตตาเสร็จเรียบร้อยแล้วเอามือลงพอเอามือลงกาหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านบาเพ็ญ แต่หลวงปู่มั่นท่านให้กรรมฐานเข้ามาอีกว่าเวลาหายใจเข้าบริกรรมพดหายใจออกบริกรรมโทเอาพุดโทเข้าเป็นเครื่องยึดเหนียวด้วยถ้าเราแต่กําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกธรรมดาเนี่ยมันหลงมันลืมมันเผลอได้ง่ายเพราะฉนั้นให้เอากรรมฐานเอาพุดโทเข้าไปยึดไปยึดด้วยนะอันนี้คือองค์หลวงตาท่านก็ยอมรับนะ แต่ก่อนหน้านี้องห์หลวงตาที่ท่านเรียนปริยัติธรรมได้เป็นมหาท่านก็ภาวนาเยอดตามแนวแถวของพุทธคือพระพุทธเจา้ากําหนดลมหายใจเข้ารั้วหายใจเข้าหายใจออกหายรั้วหายใจออกมีสติสัมปชัญญะแต่จิตใจขององค์ท่านท่านว่ามันหลกมันลืมมันเผลอได้จากนั้นหลวงไปศึกษากับหลวงปู่มัน่นหลวงปู่มั่นว่เออให้บริกรรมออพุทโธด้วยนะ องหลวงตาท่านวันจากนั้นมดเอาพดโทนแนบกับกรรมฐานแนบกับตัวผู้รู้คือใจจากนั้นเออเอาจริงเอาจังท่างวาเออสามสีวันใจของท่านเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งแนงพุ่งจิตใจของเราท่านได้รับความสงบแล้วท่านาไม่เสื่อมนะองหลวงตาท่านก็นยอมรับเลยว่ากรรมฐานของหลวงปู่มั่นที่ท่านสอนสิทธิอนุสิตเนี่ยเออเป็นกรรมฐานที่ เป็นแนวทางสําหรับสิทธิอนุสิทธิอย่างพวกเราท่านทั้งหลายประฉนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่กทานนะกรรมาฐานขององหลวงปู่มั่นที่สั้นสอนภาวนาพุทโธเนี่ยในเมื่อภาวนาพุทโธแล้วสิจิตใจของเราเนี่ยจะเข้าสู่ความสงบความสงบ เ, เหมือนกับที่พระพุทธเจวว้าอ่ะปุเพนิวาสารนจติยานจตูป ป, ปาตยานอาสาวกญาญาณอันนั้นคือพระพุทธเจ้า แต่แนวแถวสายของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพราะเราเป็นสาวกะสาวกไม่ใช่พุทธะการบําเพ็ญนั้นจะไม่เหมือนกันกับพุทธะเพราะพุทธะในกว้างขวางแต่สาวกในแคบอย่างหลวงปู่มั่นท่านว่าเมื่อจิตภาวนาภาวนาทําจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจสงบรวมลงเป็นหนึ่งจิตใจรวมลงเป็นหนึ่งแล้วเราจะรู้ได้ว่ากายกับใจใจกับกายร่างกายกับใจเนี่เป็นคนละอันกันนะ รู้ได้ชัดเจอเจนแต่ตัวไม่ตายตัวจิตนำไปเกิดใน้พภูมิต่างๆคือใจแต่ร่างกายนั่นตายแน่เอาไปเผาไฟทิ้งแน่แต่ใจคือนมามะธรรมจุดนั้นไม่ตายนะมันจะเห็นได้ชัดเมื่อจิตใจลงไปสู่ความสงบจิตใจเป็นสมาธินี่แหละอันนี้หลวงพ่อก็เลยเปรียบเทียบให้กับพระนจตาญาติโยมลูกหลานทั้งทั้งหลายได้ฟังให้ได้รู้ให้สังเกตดูว่า พวกเรามาที่นี่มีแต่ใช้รถใช้รถยนต์มาถึงที่นี่ได้หลวงพ่อก็เลยบอ ก, บอกว่านี่นะศรัทธาญาติโยมลูกหลานนะให้พวกเราคิดดูนะบอกว่าร่างกายของเราเนี่ยเหมือนกับรถแต่จิตใจของเราเนี่ยนา ม, มาธรรมอยู่ในร่างกายของเรา เ, เหมือนกับคนขับรถรถกับคนขับรถเนี่ยถึงจะอยู่ด้วยกันแต่เป็นคนละอันกัน เพราะนั้นในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าให้ความสําคัญโซเฟอร์รถนี่มากกว่ารถท่านบอกว่ามัณโนปุพังคข้ามาทำมารรมโนเสรามนโามนโมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจเออพราจะว่าไปแล้วนึงเรื่องทั้งหลายรถคันนี้เนี่ยมีโซเฟอร์เป็นใหญ่โซเฟอร์เป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยโซเฟอร์ถ้าโซเฟอร์ขึ้นไปขับรถคันนี้ โซเฟอร์หักพวงมาลัยเหยียบคันเร่งโดดสะก็ได้ชนต้นไม้ก็ได้เหยียบคนก็ได้ทําอะไรได้หมดทุกอย่างเพราะโซเฟอร์เป็นใหญ่ในรถคันนี้เพราะฉะนั้นโซเฟอร์สมควรยิ่งจะต้องได้รับการอบรมศึกอบรมโซเฟอร์ให้เป็นคนดีเพราะนั้นพระพุทธศาสนาจึงเน้นอบรมเรื่องใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าอบรมเอาศีลธรรมเข้าสู่จิตใจนี่แหละ ถ้าพวกเรานั่งสมาธิแล้วพวกเราจะรู้ได้ว่ากายกับใจใจกับกายเนี่ยเป็นคนละอ่านกันชัดเจนที่พระพุทธเจ้าวตายแล้วเกิดเรายอมรับทันทีเพราะอะไรเพราะใจดวงนี้มันออกจากร่างแล้วมันจะไปเกิดปฏิสนธิแปลาเกิดสุดแท้แต่มีบาปมีกรรมอะไรถ้าคนที่มีบาปมากเขาไปเกิดเป็นสัตว์สาระสิงช้างมา้าวัวควายหมูหมาเป็ดไก่ไปเกิดได้ทางนั้นไปเกิดเป็นสัตว์ที่ระชานก็ได้ ถ้าว่าเราทํากรรมดีสร้างบุญสร้างกุศลออกจากร่างนี้ไปก็ไปสู่ไปเกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มั่งมีสีสุขจนถึงภูมิมะลุกคะเทยวดาจนถึงเป็นชั้นพรมสวรรค์ชั้นฟ้าชั้นพรมชั้นต่างๆเราไปเกิดได้ทางนั้นเพราะอะไรเพราะว่ากรรมดีนําส่งเพราะฉะนั้นท่านจึงาอย่าทำกรรมชั่วให้ทําแต่กรรมดีจากนั้นพระองค์ไม่ให้หยุดอยู่เพียงคณะนั้นคือสมาธิทําจิตใจให้นิ่ง สมาธิมีอยู่3ขั้นนะคณิกะอุปจาระอัปปนามีอยู่สขั้นเออคือว่าขั้นขั้นสูงสุดคืออัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธินี่ใจเป็นอันไดสติเป็นอั้นจิตเป็นอนไรสติสติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอันนี้คืออัปปนาสมาธิเมื่อเมื่อจิตใจผ่านสมาธิแล้วจะให้มันเกิดวิปัสสนาบางคนก็มีคนมาถามหลวงพ่อเหมือนกัน เ, เมื่อจิตใจสงบแล้วมันทําไม่ไม่เกิดวิเป็นวิปัสนาไม่มันมันจึงไม่ไม่ไหลไปเองหลวงพ่อวันพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเนี่ยวงหล ว, วงตานี่ยท่านบอกเลยนะผู้ที่นั่งสมาธิจิตใจสงบแล้วจะจะไหลเป็นสมาธิไปเลยมีน้อยมากเออพวกคิปปัญญาพวกรู้ได้เร็วเท่านั้นเองเอพอนั่งสมาธิมันจะไหล พ, พ, พ, พ, พเออค่อยๆเป็นวิปัสนาไปเลยเห็นรู้ได้ชัด แต่โดยมากเป็นพวกทันธาพิญญาพวกรู้ไรชานพอจิตเข้าไปสู่ความสงบแล้วมันจะสงบนิ่งสบายอยู่ทั้งวี่อยู่ทั้งวันอยู่ทั้งเดือนทั้งปีเลยเออมันจะอยู่อย่างนั้นจะทํำยังไงบังคับให้มันออกบังคับอย่าให้มันอยู่เนี่ยองค์หลวงตาเนี่ยที่หลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นบังคับหลวงตาเออพอหลวงตาภาวนาจิตใจสงบตั้งหลายปีหลวงตาเนี่ย จากนั้นลบไปเกือบกราบลงปู่มั่นเป็นไงมาหาภาวนาโอ้จิตใจสงบดีอยู่กับผมเฮ้ทำไมไม่ออกพิจารณาบ้างล่ะให้ออกพิจารณานะบังคับให้ออกพิจารณาทตนี้บังคับไม่ได้เพราะมันติดสมาธิทันวานะลงตาทันพูดมันออกไม่ได้เพราะมันติดสมาธิมันติดในห้องแอร์นะนี่มันไปไม่ได้มันมีแต่โอ้มีความสุขอยู่ในสมาธิพอออกไปมันร้อนแล้มันเหนื่อยมันก็ไม่อยากจะออกไปพิจารณา มันยังไม่จะเข้าสมาธิถ้าได้ไปกราบองค์หลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นบอกว่าเอยเออจะให้มันอยู่ในสมาธิได้อย่างไงต้องบังคับให้ออกเออถ้าไม่บังคับออกมันจะเห็นผลงานได้มันจะเห็นผลงานอย่างไงต้องออกบังคับให้ออกเออจากนี้หลวงปู่มั่นดุหลงตาจนเข้มคนจังหลหลวงปูกตาก็าเรยออกไปพอออกไปได้ไงไปไปภาวนาไปพิจารณาเทเนี่ยพิจารณาเนี่แหละพิจารณาอะไร เกศาผมโรมาขนนักขาเล็บทันตาฟันแต่โจหนังมังสังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้าหมหัวใจอาการ32จเนี่ยากนั้นก็พิจารณาโครงกระดูกนะโครงกระดูกในร่างกายของพวกเราไม่ว่าพวกเรานั่งอยู่เนี่ยมีโครงกระดูกทางนั้นอยู่ข้างในมีกระโหลกศีรษะและมีขากรรไกรมีฟันแล้วก็มีกระดูกคอมีกระดูกหปาระมีกระดูกไหล มีกระดูกแขนมีกระดูกขามีกระดูกชี้โครงมีกระดูกสันหลังมีกระดูกเชิงกานมีกระดูกขามีกระดูกเข่ามีกระดูกแข้งมีกระดูกฝ่าเท้านิ้วเท้าทุกลมมีกระดูกอยู่ข้างในจะพิจารณาหรือไม่พิจารณามันก็มีอยู่กระดูกเนี่ยนี่แหละให้พิจารณากระดูกอย่างเดียวก็ได้หรือจะพิจารณาตับลำไส้ในร่างกายของเราก็ได้ที่เราเห็นหรือพิจารณาถลกหนังก็ได้ แต่หลวงตามหาบัวในท่านบอกว่าสําหรับเราเราถลกแผ่นหลังออกเห็นเออสีแดงเถืออในหลังของเราเนี่ยพอเราเห็นเห็นสีแดงแดงเถืออในหลังของเราเราเห็นกรรมฐานในในในในหลังของเราเห็นเห็นแผ่นหลังของเราเนี่ยแหละเราเห็นได้ชัดเราเอาจิตเออกาหนดเรีวยกว่าจดจ่ออยู่ตรงนั้นเจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบ เอออันนี้ก็คือกรรมฐานที่แต่ละคนไม่เหมือนกันแต่สําหรับหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อกําหนดเห็นกระดูกเนี่ยกระดูกเห็นกระโหลกศีรษะตัวเองนะขาวโพลนเลยเห็นได้ชัดเจนนี่แหละในเมื่อเห็นจุดไหนก็เอาจิตกําหนดหยุดจุดนั้นจาอหยู่จุดนั้นอย่าให้มันขยับไปที่อื่นในเมื่อเราพิจารณาหลายตลบแล้วพิจารณาหลายครั้งตลายหุนหลายหุ่นหลายครั้งคลาดไปคลาดมาคลาดม า, คลา ด, มาคลาดไปในร่างกายของเรา เพราะว่าเห็นจุดไหนที่มันเห็นได้ชัดในความรู้สึกให้เอาสติจ่อหรือจักอยู่จุดนั้นอย่าให้ขยับไปที่อื่นอันนี้แหละคือปัญญาอบรมสมาธิในแนวแถวขององค์หลุงตาแนะนําสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาคือบังคับให้ออกในเมื่อให้บังคับออกแล้วมันจะออกเพราะมันออกจะได้มันกับพิจารณาเพราะมันออกพอมันออกแล้วแต่นี้มันออกเตลิดเปิดเปิงเนี่ยของลุงตาท่านว่ามันของเราไม่พอดีออกจะไม่รู้จักหยุดเออ ไปหาหลวงปู่มั่นบอกขออากาศพระแม่คุยจานกับผมภาวานานมันออกตะเตลิดเปิดเปิงจนไม่มีจนนอนไม่ได้นอนไม่หลับทั้งวันทั้งคืนเออหลวงปู่มั่นก็เห็นแล้วมันตาขวางแล้วมันตาแข็งเน่ยเอ๊ะนั้นแล้วมันจะเป็นบ้าบ้าสังขารบ้าหลงสังขารบังคับให้มันอยู่สิคล้ายๆกับว่าในสมาธิต้องบังคับให้เป็นสมาธิ ในเมื่อบังคับให้เป็นสมาธิบังคับให้พิจารณาใหม่ๆนะให้ต่างกล้ามต่างวาระไม่ใช่ว่าพิจารณาอย่างเดียวเตลิดเปิดเปิงก็ไม่ได้ต้องพักผ่อนต้องพักผ่อนคือสมาธิในการพักในเมื่อพักเสร็จแล้วก็พิจารณาเมื่อพิจารณาแล้วพักพักแล้วพิจารณาคือพักรลบแล้วก็สู้ลบพอักรลบพักลบอันนี้คือวิธีการปฏิบัติสาหรับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเรา จากนั้นกับเมื่อพิจารณา เ, เห็น เ, เห็นตามความเป็นจริงร่างกายของเราเขนาดร่างกายของเราแท้ๆนะมันก็ยังเป็นอย่างนี้แล้วทรัพย์สมบัติอย่างอื่นละ่ะเกียรตยิยบเกียรติยศชื่อเสียงละ่ะ เ, เลือกสวนไล่นาสามีภรรยาลูกหลานจะเป็นของเราได้อย่างไงขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราอีกสักวันหนึ่งนะไม่รู้วันนานเท่าไหรนะ่่ะเออ ไม่รู้วัดวันข้างหน้าไม่รู้เท่าไหร่เราตายแน่ๆเราพังเอาไปเผ า, เผาไฟทิ้งแน่แน่นี่แหละอันนี้ก็คือการพิจารณาร่างกายให้เห็นตามความเป็นจริงนะไอ้เมื่อพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราอย่างอื่นจะเป็นของเราได้ยังไงจากนั้นก็ย้อนมาหาตัวใจนะฮะเมื่อย้อนมาหาตัวผู้คือหนมามัธรรมคือใจทนี่นี่แหละจุดนี้แหละคือจุดใหญ่ท่นนเมื่อเราเห็น ร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วเราก็ย้อนมาหาใจเออใจเออเธอจะไปหลงอะไรเอ่อเห็นไหมสิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่ของเรานะอีกสักวันหนึ่งนะมันจะต้องแตกตายสลายไปสู่ตามสภาพของมันนะใจของเราจะเป็นหลงมันอยู่เลยพอย้อนเข้ามาหาตัวผู้รู้คือใจบ่ใจท่านี่ใจดูใจนี่ใจมันก็มองโดนมันเป็นสังขารคือความปรุงแตกในใจนะีย่ยับยัยับยับยบเออ มันแนวความคิดอยู่ในจิตใจดังนี้นละ่ะเมื่อเห็นตัวเนี่คือตัวอนิจจังสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งไหนเป็นทุกข์สิ่งนั้นม่ใช่ตัวตนของเราปล่อยวางที่ใจไม่ยึดมั่นถือมั่นที่ใจนี่หละหลักธรรมคาสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านไม่ได้หาที่อื่นนะครับนักสตยาย จ, จมลูกหลานพระเนรน้องนุง่งทั้งหลายท่านให้มามันท่านให้พิจารณาถึงตัวใจแต่ว่าก่อนที่จะเข้ามาถึงจู่จุดใจตัวนี้นะ่ะ เรื่องสมาธิเป็นสิ่งสาคัญคือปูพื้นฐานกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกจิตใจให้เป็นสมาธิก่อนเมื่อจิตใจเป็นสมาธิแล้วบังคับให้พิจารณาเมื่อบังคับให้พิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อเห็นตามความเป็นจริงแล้วให้ย้อนมาหาดู ด, ดูมาเข้ามาหาตัวผู้รู้คือใจใจมันเป็นหลงเขามันไปให้ความสําคัญเขาจากนั้นก็มาเมื่อพิจารณาถึงใจมันก็ปล่อยวางที่ใจไม่ยึดมั่นถือมั่นที่ใจ นั่นแหละความบริสุทธิ์หลุดพ้นไม่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจนี่แหละแนวแถวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายของพวกเราพวกเรามั่นใจในเมื่อท่านล่วงรับดับขันแต่ละท่านแต่ละองค์กระดูกของท่านได้กลายเป็นพระธาตุให้กับพวกเราได้รู้ได้ เ, เห็นนี่แหล ะ, อะขอให้พวกเราคณะัตหา ญ, ญาติโจมลูกหลานทุกคนสายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเสาย พระอารหันต์สายผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากอาสะวะกิเลสแนวทางของท่านที่หลุดพ้นนั้นท่านปฏิบัติตนอย่างไรท่านทําอย่างไรนี่เป็นแนวทางให้พวกเราศึกษาอันนี้หลวงพ่อเพียงแต่ชี้ประเด็นให้ฟังว่าธรรมลรคกิจเรื่อว่าธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้พูดได้กล่าวมาเนี่ยมีลักษณะอย่างนี้อยากอยากจะพวกเราอยากจะฟังในรายละเอียดดูในรายละเอียดก็บเพื่อธรรมเทศนาขององค์หลวงตาแต่ละกรลม แต่ละกันแต่ละคำพูดเ่พวกเราจะนำมาปฏิปตอเรืร่อนํามาเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับพวกเราทั้งหลายได้วันนั้นวันนี้หลวงพ่อได้กล่าวเบื้องต้นว่าปูชาจะปูชนียานังคำว่าปูชาจะปูชนียานังบูชาบุคคลที่ควรบูชาบุคคลที่ควรบูชาคือพระพุทธเจ้าพระธรรมสังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งปวงและก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกๆพระองค์ที่พวกเรารักเคารพนับถือเลื่อมใสเป็นบุคคลที่ควรบูชาเพราะท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปิดเนื้อนาบุญของพวกเราเนี่แหละขอให้พวกเราท่านทั้งหลายเคารพ บ, บูชาบุคคลที่ควรบูชาไม่ใช่ว่าเห็นกล้วยออกครึ่งลำก็ไปใต้เทียนเคารพสักการ ะ, ะบูชา อันนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐินะเออหมาออกสีขามันใช้กรรมของมันเราก็ไปกราบไปไหว้อีกม่นไปกราบไปไหว้อย่างไงมันไม่ใช่เรื่องนะเออไม่ใช่สิ่งที่ควรบูชาควรบูชาคือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบมีศีลมีธรรมและก็แนะนาสั่งสอนพี่น้องประชาชนให้พวกเรารู้จักคุณงามความดีนั่นแหละเป็นบุคคลที่ควรบูชาอย่างองหลวงปู่บุญมีของพวกเราแต่สมัยก่อน ท่านก็แนะนําสั่งสอนพวกเราแต่เดี๋ยวนี้ท่านมีแต่ปฏิบัติตนให้พวกเราได้กราบได้ไหว้เคารพสักการะบูชาเป็นบุคคลที่ควรบูชาอย่างยิ่งนะแต่หลวงพ่อด้แถมท้ายหรือย้ํำท้ายว่าขายะวยะธรำ ม, มาสร้างข้าราแต่ตามเป็นจริงมันเป็นคนละประเด็นกันแต่หลวงพ่อบอกว่าโยเข้ามาหาการพ่อถึงยังไงเราจะประกอบคุณงามความดีเคารพบูชายังไงก็เถิะชีวิตของพวกเรานันเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอน ขยะวยธรำมาสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนะพี่น้องลูกหลานนะเกิดแก่เจ็บตายแน่ๆไม่เป็นอย่างอื่นเพรา ะ, ะนั้นพ ว, พวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทยึดความว่าประมาทคำนี้ไม่ใช่ว่าปลาหมาทคนอื่นนะประมาทประมาทก็คืออย่าไปชลาดใจในชีวิตของพวกเราให้ประกอบคุณงามความดีตายแล้วไม่สูญอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวตายแล้วเกิดอีกบาปกรรมมีจริงนรกสวรรค์มีจริง ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอย่างที่หลวงพ่อได้พูดแล้วก็พวกเราท่านทั้งหลายจะตั้งอยู่ในความประมาทเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้พบบัณฑิตนักปราชญ์คือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราควรจะตั้งตนไว้ชอบออจะตั้งอยู่ในความประมาทจงอย่างประโยชน์ตนขยวยธรรมมาสร้างคาราอัปมาเดนะสัมปาเดทาติ ขอให้ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิดอันนี้คือเป็นคําสั่งเสียของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพานในวันเดือน6เพนทีเ่เมืองกุศินาราพระองค์บอกว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงขอให้ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านประโยชน์ตนคล้ายๆว่าอย่าให้ขาดตกบกพร่องในการบำเพ็ญทานศีลภาวนาปฏิบัติธรรมอย่าให้ขาดตกบกพร่อง แล้วก็พร้อมกันก็อย่าให้ปร ะ, ประโยชน์คนอื่นเราก็ช่วยเหลือชุมชนสังคมเขาอย่าให้ขาดตบกบกพ่องในการช่วยเหลือชุมชนสังคมให้ช่วยช่วยเขาพอสิ่งที่พอจะช่วยได้นี่แหละทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทถ้าพวกเราช่วยช่วยกันอย่างนี้นะ่ะมีแต่ความสงบพร่มเย็นเป็นสุขในชุมชนและในสังคมของพวกเราเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราคัศสัตยาญาติโยมลูกหลาน วันที่หลวงพ่อคิดว่าจะพูดน้อยๆแต่ว่าพอเห็นคณะสัตยาญาติโฉมมากมายหลายกลุ่มหลายคณะนานๆทีพวกเราจะได้มาพบมาเจอกันหลวงพ่อก็ได้พูดแนวความคิดให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังเพื่อเป็นการศึกษาสุดตรมยปัญญาจินตรมยปัญญาภาวนามยปัญญาแล้วก็อานิสง์แห่งการฟังธรรมผู้ฟังจ่อมไปฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟัง สิ่งไหนที่เคยได้ยินได้ฟังไม่เข้าใจชัดก็จะเข้าใจสิ่งนั้นชัดบันเทาความสงสัยเสียได้ทําความเห็นให้ถูกต้องได้ขณะฟังจิตใจของผู้ฟังก็จะได้รับความสงบได้รับความความผ่องใสและก็สู้สูสั่งลัทธิปัญญ์ผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราคณะทาญาิโยมลูกหลานทุกคนหนะ้าการพูดการกล่าวสัมโมบทนิยกถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลา ด้วยอํานาจคุณพระสีรัตนไตรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้มาคุ้มครองพวกเราและก็ด้วยบุญบรารมีขององค์หลวงปู่บุญมีปริปุนโนที่พวกเรารักเคารพนับถือเลื่อมใสขอให้มาคุ้มครองพวกเราคณะศรัทธาญาติโยมลูกษษษศิกษย์ทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งคดีโลกและคดีธรรมปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรม